จะเจริญพรพวกเรามีเฉพาะในห้องนี้หรืออยู่ที่อื่นด้วยมีไหมออกข้างนอกเลยใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างไหมมีไหมไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมช่วยยกมือหน่อยนะหลวงพ่อจะได้รู้ว่าควรจะเทศสักขนาดไหนโอ้มีคนหลงมาสองสามคนไม่เคยฟังนะ งั้นหลวงพอ่อเทศตามสบายนะถือว่าส่วนส่วนใหญ่เคยฟังถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ไปเอาซีดีไปฟังเคยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งสมัยนั้นยังไม่มีซีดีแก เ, เอาเทปหลวงพ่อไปฟังนะแกมอาอัดเอาเองอะ่ะกฟังมีอยู่ม้วนเดียวแก็ฟังจนเทปยืดเทปยืดจิตก็ตื่นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนเทปยืดแล้วจิตจะตื่นนะ แค่รู้หลักของการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากการปฏิบัติจริงๆไม่ยากหลวงปู่ดุลเคยสอนหลวงพ่อไว้ประโยคแรกเลยที่ท่านสอนนะกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติท่านตอไว้ว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองทั่นสอนอย่างนี้นะทำไมท่านสอนให้อ่านจิตตนเองท่านดูจริตนิสัยลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งจริงๆเน ท่านจะไม่ได้สอนลูกศิษย์ว่าทุกคนต้องทำแบบท่านไม่ใช่ว่ากรรมฐานมีวิธีเดียวนะวิธีอื่นใช้ไม่ได้นะครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งจริงท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นนะอย่างโลวงปู่ดุลนะหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ที่สองนะที่เป็นแบบท่านท่านสอนกรรมฐานที่หลากหลายมากเลยไปหาท่านนะไปบอกท่าน่าขอเรียนกรรมฐานนะท่านไม่พูดนะ เงียบไปหลับตาเงียบๆไปเกืบชั่วโมงก็ลืมตาให้มาถึงจะสอนสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนะภาวนาตั้งนานจิตไม่ยอมรวมเลยท่านบอกให้ไปดูผมเส้นเดียวสองเส้นก็ไม่ได้นะต้องเส้นเดียว <c oughs> ท่านนั้นท่านน้อยอกน้อยใจหลวงปู่ไม่รักเลยสอนคนอื่นเยอะสอนท่านให้ดูผมเส้นเดียวอะไรอย่างี้แล้วดูผมเส้นเดียวอันั้นก็ได้ผลดี จิตสงบขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาเจริญปัญญาต่อบางคนหลวงปู่ก็สอนดูกระดูกดูกระดูกอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตให้ดูจิตตนเองทำไมสอนให้ดูจิตตนเองท่านพิจรนารณาแล้วว่าจริตนิสัยหลวงพ่อเป็นคนเมือง<ม>เกิดกรุงเทพเยเกิดมาในกรุงเทพโตอยู่ในกรุงเทพนะทำงานก็อยู่ในกรุงเทพ วันๆ น, นั้นก็ทำแต่เรื่องที่ต้องใช้ความคิดทั้งนั้นเลยกรรมฐานที่มันเหมาะกับพวกคิดมากนะก็คือการดูจิตนั่นแหละในตาําราอภิธรรมท่านพวสอนไว้ตรงกันบอกว่ากายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเนี่ยการดูกายดูเวทนาเนะี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเลย ส่วนจิตตานุปัสสนาจะรทำมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริต ง, งั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องดูจิตนะในฐานะพวกที่อยู่บนตึกเนี่ยคงไม่ใช่พวกทําไร่ทํานามไม่ใช่พวกก็มีบ้างรักสวยรักงามเป็นกรณีพิเศษนะส่วนใหญ่หน้าตาและนักคิดทั้งนั้นนะคิดทั้งวันใครรู้สึกตัวเองว่าไม่ใช่ พวกคิดมากบ้างมีไมในห้องนี้เอาแล้วนะถือว่าทุกคนลงมติแล้ว <c oughs> <c oughs> กรรมฐ า, านของคนคิดมากกรรมฐ า, านของคนคิดมากไม่ใช่พวกคิดน้อยหล <c oughs> วงปู่โดนสอนเรื่องการดูจิตนะการดูจิตเนะี่ยหลายคนก็เถียงกันเด <c oughs> ยเฉพาะตอนที่หลวงปู่ไม่อยู่แล้วนะมีจดบันทึกไว้ว่าหลวงปู่สอนอย่างนั้นหลวงปู่สอนอย่างนี้นะ บางคนบอกหลวงปู่โดนสอนให้ดูจิตด้ดยการประคองจิตให้นิ่งให้ว่างความคิดนึกปลุงแต่งเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งเลยนะอยู่กับความว่างสงบอยู่ภายในนี้รันดอนบางคนว่าอย่างนี้นะถามว่าจริงไหมหลวงปู่สอนจริงไหมจริงบางคนก็สอนดูจิตไปอีกแบบอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างท่านสอนให้ดูพฤติกรรมของจิต ดูการทำงานของจิตดูความรู้สึกของจิตถ้าเราภาวนาไม่เป็นนะเราจะสับสนว่าทำไมครูบาอาจารย์สอนไม่เหมือนกันสอนไม่เหมือนกันเพราะธรรมะไม่เท่ากันเหมือนนักเรียนแต่ละชั้นนะครูบาอาจารย์สอนเรื่องเดียวกันไหมครูคนละเรื่องเห็นไหมชั้นประถมก็สอนแบบนี้ชั้นมัธยมก็สอนไปอีกแบบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีก็สอนอย่างหนึ่งนะปริญญาโทรปริญญาเอกสอนคนละแบบ เราต้องดูก่อนธรรมะที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดเนี่ยมันมีตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลา ง, ลางเบื้องสูงธรรมะของหลวงปู่ดุลหรือของใครก็ตามกระทั่งธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีเป็นลำดับมีขั้นมีตอนงั้นเวลาเราฟังครูบาอาจารย์หรือกระทั่งอ่า น, านาพระไตรปิฎกเราต้องรู้ว่าท่านสอนใครนะต้องรู้บริบทของธรรมะอันนั้นท่านสอนใครทาไมต้องสอนอย่างนี้ ถ้ารู้ตรงนี้แล้วเราจะไม่สับสนหรอกอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเบื้องต้นท่านสอนบอกอัตตาหิอัตโนนาโถเคยได้ยินไหมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีอัตตาไปสุดท้ายก็ไปบอกว่าสัพเพธรมมานัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีอัตตาทําไมพระพุทธเจ้าสอนอะไรกันแน่ทําไมสอนสับสนอย่างนั้นท่านไม่ได้สอนสับสนนะแต่ท่านสอนขวดคนละคน งา้นธรรมะมันมีเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงการเจะมาเรียนเรื่องดูจิตดูใจก็เหมือนกันการดูจิตดูใจก็มีเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงเบื้องต้นเลยดูจิตยังไงให้มีศีลเบื้องกลางเนี่ยดูจิตยังไงให้มีสมาธิเบื้องปลายดูจิตย hacking, ังไงให้เกิดปัญญางั้นถามว่าหลวงปู่ดูลสอนประคองจิตให้นิ่งให้ว่างสอนไหมสอน แต่นั้นเป็นการดูจิตเพื่อให้เกิดสมาธิสอนให้เห็นความปรุงแต่งของสังขารและสัญญาสังขารและสัญญาทํางานปรุงแต่งนะรู้เท่าทันเป็นการสอนดูจิตไหมเป็นเป็นขั้นการเจริญปัญญานะเพราะเราต้องแยกให้ออกนะว่าคําสอนใดมันระดับไหนไม่งั้นจะสับสนแล้วะทะเาลาะกันทนะเลาะกันเองว่าหลวงปู่สอนยังไงแน่อย่าว่าแต่หลวงปู่เลยพระพุทธเจ้าเขาสอนอย่างนั้นเป็นขั้นขั้น แต่ละขั้นบางทีขัดกันนะขัดกันเองอย่างพระเจ้าทำมาขั้นต้นๆก็มีคนมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาใช่ไหมทำมาคั้นละเอียดขึ้นมาไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่รูปกระ nam เนี่ยไม่เหมือนกันวันนี้วันนี้หลวงพ่อจะมาคุยให้ฟังนะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าคาสอนเรื่องการดูจิตมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เบื้องต้นเลย ดูจิตยังไงให้เกิดศีลพวกเรารู้ไหมว่าคนเราทำผิดศีลเพราะอะไรคนเราทำผิดศีลข้อหนึ่งอ่ะฆ่าฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์ทำร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะกิเลสเพราะมีโทสะครอบงำจิตจะไปทำร้ายเขาเพราะราคะครอบงำจิตทำร้ายได้ไหมรักแล้วกเอาละวาดได้ใช่ไหม ขโมยเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะกิเลสไม่ใช่แค่โลภใช่ไหมเกลียดหน้ามันแกล้งขโมยของมันก็ได้ทำเพราะโทสะก็ได้ไปจีบลูกสาวเขาแกล้งจีบแล้วทิ้งเลยนะอย่างเงี้ยแย่งเมียมันอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เพราะราคาอย่างเดียวบางคนแกล้งเพราะโทสะก็ได้คนพูดเท็จพูดเท็จเพราะเกลียดมันก็ได้ด่ามันหรือพูด ชมมันให้เสียคนไปเลยก็ได้จริงๆเกลียดมันทำด้วยโท่สาก็ได้ทำด้วยราคาก็ได้อย่างไี้หนุ่มๆเวลาจีบสาวเนี่ยอย่พเชื่อมันมันบอกสวยที่สุดในโลกอะไรเงี้ยถ้าใครมันมาชมเราอย่างนั้นนะต้องถามมันมาตรฐานอะไรนะอย่างเราถ้าไ ป, ปียบขวดท่ดาช้างอะไรตัวขนาดนี้เราก็ไม่สวยที่สุดในโลกอะไรเงี้ยคนมาตรฐานไม่โกหก ัวโหเพราะราคะก็ได้งั้นเราดูให้ดีคนทำผิดศีล น, นะเพราะกิเลสมันครอบงำจิตนี่ทำยังไงเราจะมีศีลด้วยการดูจิตรู้ทันเวลากิเลสเกิดขึน้นกับจิตราคะเกิดขึน้นที่จิตเราคอยรู้ทันโทสะเกิดที่จิตคอยรู้ทันนะความฟุ้งซ่านเกิดที่จิตคอยรู้ทันถ้าเราคอยรู้ทันนะกิเลสจะครอบงาจิตไม่ได้ พระธรรมชาติกุศลกับอกุศลเนี่ยจะไม่เกิดร่วมกันทันทีที่จิตของเราเป็นกุศลมีสติขึ้นมาจิตเป็นกุศลกิเลสจะดับทันทีเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยอย่าไปคิดดับกิเลสไม่มีความจําเป็นเลยที่เราจะต้องไปคิดสู้กับกิเลสถ้าเรามีสติเมื่อไหร่กิเลส ด, ดับเองเมื่อนั้นนะไม่จำเป็นเลยว่ า, ว า, ากําลังโกรธอยู่ทํำยังไงจะหายหกโยกรธเกลียดความกโกรธใช่ไหม อยากให้หายโกรธนั่นแหละกำลังโกรดซ้อนโกรธอยู่นะเกลียดมันมีความสุขขึ้นมานะแล้วก็เกิดความพอใจไม่รู้ทันใช่ไหมว่าดิ้นรนจะรักษาความสุขเอาไว้ถ้ารู้ทันว่าเนียจิตมีราคาความสุขจะอยู่หรือความสุขจะไปไม่เดือดร้อนใจจะเป็นกลางให้เราคอยรู้ทันจิตใจของตนเองบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตใจนะคอยรู้ไว้ถามว่ารู้ได้ไหม ทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้ไม่ใช่รู้ไม่ได้นะใครใครก็รู้ได้ใครไม่เคยกโกรธมีไหมในห้องนี้มีใครไม่เคยกโกรธไหมในห้องนี้มีใครเคยโลภบ้างไหมโลภอฉลาดนะไม่งั้นงั้นโดนหลวงพ่อหลอกหลงพ่อทดสอบว่ามันนั่งหลับหรือเปล่าทำงานมันเหนื่อยทั้งวันนะ้วโกรธเราก็รู้จักใช่ไหม โลภเราก็รู้จักนะรักรู้จักไหมรักเป็นยังไงดีใจรู้จักไหมเสียใจรู้จักไหมอิจฉาเป็นไหมนะรู้จักนะกังวลเป็นไหมกลัวเป็นไหมรู้สึกขนองเป็นไหมขนองรู้สึกขำเป็นไหมเห็นไหมไม่ว่าถามอะไรนะรู้ทุกอย่างเลย ดังนั้นการที่เราจะคอยรู้ทันจิตรู้ทันใจตัวเองเนะี่ยไม่ใช่เรื่องยากทุกคนรู้ได้อยู่แล้วปัญหามีอันเดียวคือละเลยที่จะรู้เวลาโกรธขึ้นมาเราไม่ดูว่าใจกําลังโกรธแต่พอโกรธขึ้นมานะเราจะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธปัญหามีนิดเดียวเท่านัเ้เงเราจะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธเวลาโลภขึ้นมาสูงว่าอยากได้โทรศัพท์มือถืออันใหม่เวลาโลภขึ้นมาเราไม่ยอมดูว่าใจกําลังโลภ เราจะมัวแต่ดูแคตตาล็อกนะหรือไปเดินดูว่าหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงนะเราดูออกนอกเราไม่ย้อนมาดูตัวเองทั้งที่ดูก็ดูได้เนะพราะเมื่อกี้หลวงพ่อถามแล้วนะเรารู้จักสภาวะภายในเนี่อรู้จักทุกคนเลยสภาวะอะไรๆเขารู้จักนะโลภก็เป็นโกรธก็เป็นกลัวก็เป็นอิจฉาก็เป็นนะกังวลเป็นไหมกังวลเซงเป็นไหมเซงรู้จักไหมเป็นยังไงห เนี่ยขนาดนี้ยังรู้เลยเซิงเป็นไงก็รู้เซิงกับเบื่อเหมือนกันไหมเซิงกับเบื่อเหมือนกันไหมพูดยากนะแต่ความรู้สึกเราแยกได้ว่าตอนนี้เซิงหรือตอนนี้เบื่อะงั้นการดูจิตดูใจดูกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่จิตที่ใจไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดออกทุกคนดูได้แต่ละเลยที่จะดูเท่านั้นมัวแต่ดูออกนอก รักขึ้นมาชอบขึ้นมาก็มัวจะไปดูของที่รักดูคนที่เรารักดูของที่เราชอบอะไรเงี้ยโกรธขึ้นมานะก็ไปดูคนที่โกรธไม่ดูว่าใจกำลังโกรธยังขับรถอยู่ถูกปาดหน้ามีไหมใครขับรถแล้วไม่เคยถูกปาดหน้าเลยมีไหมแสดงว่าเป็นปาดคนอื่นเขาแหลกเลยไม่เคยมีใครปาดชั้นได้เลยมีอยู่ช้อยเดียวคนปาดหน้าแล้ววาเราโกรธอะ รู้สึกไหมเวลาเราโกรธเราจะดูมันเราจะไม่ดูใจที่กํากลังโกรธแค่นี้เองอะ่ะแค่นี้เองนะจริงๆดูก็ดูได้แต่ไม่ยอมดูต่อไปนี้เปลี่ยนน ะ, ะความรู้สึกกิเลสอะไรเกิดที่ใจเรารู้ทันไหมกิเลสอะไรเกิดที่ใจรู้ทันไหมอย่ามวัวแต่ดูออกนอกหลวงปู่ดูเรื่องทรงขีดออกนอกมัวแต่ไปดูของข้างนอกไม่เห็นกิเลสที่เกิดที่ใจ เมื่อเราไม่เห็นกิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตใจเนี่ยพอเราไม่เห็นนะกิเลสจะครอบงําจิตมันจะเป็นนายเหนือจิตแล้วอันนี้มันจะมาบงการพฤติกรรมทางใจของเราเขาปาดหน้าโกรธปุ๊บต้องกดแจไม่ก็ด่าเลยไอคนนั้นได้ยินไหมไอคนนั้นไม่ได้ยินมันไปโน่นแล้วไอคนที่นั่งข้างเราเนี่ยหูชิงไปแล้วงั้นเราค่อยรู้ทันถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตได้นะ ศีลจะเกิดขึ้นเกิดอัตโนมัติเลยแต่เดิมรักษาศีลนี่ยากมากโดยเฉพาะศีลข้อไหนรักษายากหนึ่งโอ้ศีลเป็นประชามตินะถามมากี่งานนะตอบเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าคนไทยเนี่ยผิดศีลข้อสีเยอะี่เป็นประชามตินะสำรวจมาศีลข้อสี่มันไม่ใช่แค่โกหกนะศีลข้อสีเนี่ยมันคลุมโกหกพูดไม่จริงส่อเสียดรู้จักส่อเสียดไหม สาเสศ์คือพูดให้เขาเทะเลาะ ก, กันนะแล้วก็พูดหยาบคายพูดเพอเจอร์พูดเนะพอเจอร์หมายถึงอะไรพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดหือว่าพูดเพอเจอร์อย่างเวลาพระกาลังเทศเราก็คุยแข่งกับพระนี่เรียกพูดเพอเจอร์แต่หายากนะเวลาหลวงพ่อเทศไม่มีหรอกหายากเวลาหลวงพ่อเทศไม่มีใครมาคุยแข่งกับเรานะแล้วคอยรู้ทันจิตนะ แต่เดิมรักษาศีลเป็นเรื่องยากเพราะเรามารักษาที่ปากเรารักษาที่มือที่เท้าปากมันไวอะ่ะรู้สึกไหมปากไวมากเลยนะยิ่งกว่าอะไรนะสาม G ส G สู้ไม่ได้หรอกปากเราไวกว่านั้นเยอะเลยนะส่งข้อมูลได้เร็วมากเลยะส่งเป็นแพ็กเกจเลยนั่นรักษาศีลเลยรักษายากรักษาที่ปากรักษาที่มือรักษาที่เท้ารักษายาก รักษาที่ใจสนะิมีสติคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตสีลอัตโนมัติจะเกิดเช่นใจอยากจะด่าเขาเนี่เราเห็นปุ๊บความอยากจะดานะหายไปมันก็ไม่ด่าละนะรักษาสีลสบายการรักษาสีลจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่ใช่เรื่องเครียดอีกต่อไปแตจะเป็นเรื่องสบายมีความสุขนะใจิตใจที่กิเลสเกิดเนี่ยไม่มีความสุขหรอกแต่พอเรารู้ทันกิเลสได้กิเลส ห, หายไป ใจยังมีความสุขมากเลยนี่หัดดูจิตอย่างนี้นะหัดดูจิตแล้จะเกิดศีลคือคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตถ้ากิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันศีลจะมีขึ้นมานี่ดูจิตให้มีศีลดูจิตยังไงให้เกิดสมาธิสมาธิมีสองแบบสมาธิสงบนะเอาไว้พักผ่อนทำสมถกรรมฐานสมาธิอันที่สองนะี่ตั้งมั่นสงบกับตั้งมั่นไม่เหมือนกันนะ แต่ในความตั้งมั่นจะมีความสงบอยู่ด้วยเสมอในความสงบอาจจะไม่ตั้งมั่นจิตที่สงบจิตทำไมมันไม่สงบถามว่าทำไมจิตถึงไม่สงบเพราะจิตเนี่ยเที่ยวร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมจิตต้องร่อนเร่เที่ยวหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาเพราะจิตเที่ยวแสวงหาความสุขอยากมีความสุขใช่มถึงไปดู ถ้ารู้ว่าดูแล้วทุกจะดูไหมไม่อยากดูใช่ไหมไปฟังแล้วมีความสุขก็อยากฟังเนี่ยยกเว้นแต่ฟังเขาด่านะบางคนนะฟังเขาด่าแล้วมีความทุกข์ก็อยากฟังนะอยากรู้ว่าเขาด่าอะไรนี่พวกไม่ฉลาดเลยนะใจมันมีความอยากใจมันมีความหิวมันหิวอารมณ์นะมันหิวอยากจะไปเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายนะ อากาศร้อนก็อยากให้ลมเย็นๆมาอะไรยใจมันหิวอารมณ์นะใจจะวิ่งพล่านไปหาอารมณ์เรืยหวังว่าจะมีความสุขไปดูแล้วคิดว่าจะมีความสุขดูไปแล้วก็ไม่เห็นมีความสุขเท่าไหร่วิ่งไปฟังฟังหวังว่าจะมีความสุขแล <ír m ood> ้วมันก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่วิ่งไปคิดคิดแล้วก็หวังว่าจะมีความสุข อ, อีกมันไม่มีใจมันต้องวิ่งพล่านไปเรื่อยนะเพราะมันหิวหิ ว, หวอารมณ์หวังว่าได้อารมณ์ที่ดีมามันจะมีความสุข งั้นใจเนี่ยเที่ยวแสวงหาความสุขไปเรื่อยๆจับอารมณ์นี้ก็ไม่มีจับอารมณ์นี้ก็ไม่มี จ, มมมจิตที่จับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้ไปเรื่อยก็ฟุง้งซ่านสมาธิไม่มีหรอกไม่สงบทํำยังไงจะดูจิตยังไงให้เกิดความสงบขั้นแรกเลยเราต้องรู้จักก่อนว่าจิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะมันเที่ยวหาความสุขแล้วเราต้องมาเลือกหาอารมณ์ที่มีความสุขให้จิตอยู่คนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุโทโธ คนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขนะก็ไปดูท้องพองยุบคนไหนทำจังหวะนะขยับมือทำจังหวะไปแล้วมีความสุขก็ไปขยับมือไปอะไรก็ได้นะไปเลือกดูแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัว่วกิเลสอย่างด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี้ยไม่เอาจิตไม่สงบแน่นั้นต้องเครียร์ตลอดเวลาถ้าด่ายังไงจะเฉียบแหลมขึ้น <laughs> ด่าซ้าๆอะไรเงี้ย ไม่มี Innovation นะไม่ได้เรื่องใจไม่สงบหรอกต้องเลือกอารมณ์ที่ที่ไม่ยั่วกิเลสดูเขาชกมวยเห็นห ม, มีความสุขดูชกมวยแล้วก็รุ่นไปรุ่นไปสังเกตให้คนดูมวยนะสอนนักมวยได้ด้วยนะเอมไปโชว์เอมชอบตายเลยก็ <c oughs> เต้นเยงเยงเยมีความสุขสนุกแต่ใจมันออกนอกฟุ้งซ่านไม่สงบหรอกเล่นไพ่ใครชอบเล่นไพ่บ้างมีไหม แต่ก่อนผู้หญิงจะต้องเล่นไพนะ่นะเป็นวัฒนธรรมไทยนะเป็นการสังสรรค์เล่นไพ่จิตจดจ่ออยู่กับไพ่ใช่ไหมตำรวจมายังไม่รู้เลยนี่สมาธิดีไหมดนะีแต่สมาธิอย่างนี้ยั่วกิเลสนะเอามาทําสมถะไม่ได้ต้องเลือกดูอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะแล้วจิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนไหนอยู่กับพุโทโธมีความสุขแล้วก็พุโทโธไป คนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจไปแล้วก็ทำยังไงดีรู้ทันจิตหมจิตหนีไปจากพุโทโธคอยรู้ทันจิตนี้ไปจากลมหายใจคอยรู้ทันจิตนี้ไปจากท้องของยุบ ค, คอยรู้ทันถ้าจิตมันไปเราก็รู้ทันนะมันจะสงกกบก็กลับมาอยู่กับลมต่อกลับมาอยู่กับพุโทโธต่อนะได้สมาธิขึ้นมาอย่างมารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไปไร้หายใจทีแร้มนจะลึกนะหายใจมจะยาว เ น, นเบื้องต้นเนี่ยมันจะหายใจยาวเวลาที่จิตยังฟุ้งซ่านอยวลมหายใจจะยาวพอจิตค่อยๆสงบลงเนี่ยลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายลมมาอยู่ที่ปลายจมูกนี่เดี๋ยวบางทีเหมือนหยุดหายใจเลยกลายเป็นจุดเล็กนิดเดียวสว่างขึ้นมาเป็นแสงสว่างขึ้นมาจิตเราก็อยู่กับแสงสว่างนี้ต่อไปนะทิ้งลมหายใจไม่เราไปคิดถึงลมแล้วร่างกายไม่หายใจนั่นสว่างขึ้นมาอยู่กับความสว่างเนี่ยหลักของสมรรถนะ หลักของการทำสมถะนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวถ้าจิตหนีไปจากอารมณ์ น, นั้นให้รู้ทันไว้นะและ้วก็กลับมาอยู่กับอารมณ์อันั้นมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ย น, ะนะนี่ถ้าดูจิตอย่างนี้จะได้สมถะหรือบางทีก็ใช้วิธีดูเข้าไปที่จิตเองนะแล้วถ้าจิตหนีไปคิดปัดทิง้งปัดทิง้งจิตปรุงอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาสัอย่างนะแล้วคองรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่เงี้ยนะตัวนี้สมถะ อย่างบางคนหลวงปู่ ด, ดูลสอนให้ดูจิตนะท่านบอกว่าให้พุโทโธไปพุโทโธพุโทโธไปจนกระทั่งจับเอาตัวผู้รู้ว่าพุโทโธขึ้นมาแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนีน้ก็เรื่องของสมถะได้สมาธิจิตเป็นหนึ่งขึ้นมาบางคนท่านก็สอนบอกให้ดูจิตนะรักษาจิตให้ติด ต, ต่อไปจิตคิดนึกปรุงแต่งนับปัดความคิดนึกปรุงแต่งที่ให้อยู่กับความสงบนิ่งแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวไม่คิดอะไรนี่แหละสมถะ ถามว่าหลวงปู่ดูนสอนดูจิตแบบนี้ไ้ยสอนแต่สอนเพื่อให้เกิดสมถะนะคนละอันกันดูจิตยังไงให้จิตตั้งมั่นดูจิตให้แค่เกิดสมถะเนี่ยก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ัเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมอาน้อมเอาในนะการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ัเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจะได้สมถนะจะได้พักผ่อน มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะจิตใจที่ไม่มีสมถะเป็นที่พักเลยล้วเดินปัญญารวดไปเนี่ยแห้งแหลงนะเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอราหันต์แห้งแรงเรียกสุขวิปัสสกะแห้งแหลงเอาไหมได้กบุญแล้วนะไม่เอาไม่เอาได้ก็บุญแล้วเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนถ้าได้สมาธิด้วยก็บุญมากหน่อยนะมีความสุข นะงั้นเราถ้าเราดูจิตนะแล้วรักษาจิตเอาไว้นะไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้อะไรรักษาไว้ในอารมณ์มันเดียวจนะได้สมถะดูจิตให้ได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นนีก็คือจิตที่ฟุ้งไปเห็นไหมไหลไปจิตไหลไปได้หกช่องทางไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไทางจมูกไหลไปทางลิ้นไหลไปทางกายไหลไปทางใจ ไหลไปทางลิ้นก็หมวไปรู้รสอาหารรู้รสสมมติว่าเราอยากไดเอทใครเคยไดเอทมั้งไดเอทจะต้องคู่กับไดอดไดอดหมายหนึ่งต้องอดกำลังสองเนี่ยพอขาดสติทีเดียวนะหมดไปสามจานแล้วเพิ่งนึกได้เขาคอยรู้ท่านจิตนะคยรู้ทานจิตถ้าจิตมันหนีไป หนีไปทางตารู้ทันหนีไปทางหูรู้ทันหนีไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้ทันถ้ารู้หกช่องทางได้ก็เก่งนะแต่ว่าส่วนใหญ่ทำไม่ไหวเอาอันเดียวพอแล้วจิตหนีทางใจจิตหนีทางใจมีมากที่สุดจิตหนีทางตาเป็นที่สองสำหรับคนที่ตาไม่บอดจิตหนีทางหูเป็นที่สามสำหรับคนที่หูไม่หนวดจิตหนีทางใจเนี่ยเบอร์หนึ่งเลย ถึงหูหนวกถึงตาบอดจิตช่วยังหนีทางใจได้ไอนะ้จิตนี้ทางใจเนี่ยหนีไปสองแบบนะนี่เตลิดเปิดเปิงไปฟุ้งซ่านไปอีกอันนึงหนีไปเพ่งหลงไปเพ่งรู้ลมหายใจจ่ออยู่ที่ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมตอที่จิตไหลไปอยู่ที่ลมได้สมถะนะแต่หลงอยู่หลงอยู่จิตไม่ตั้งมัน่นจิตเคลื่อนไปอยู่กับลมนะเนี่จิตมันหนีไปได้ทั้งหกช่องมันมากเกินไป ในการที่เราจะหัดภาวนาให้จิตตั้งมั่นเรามาหัดดูจิตหัดดูจิตให้จิตตั้งมั่นวิธีง่ายๆนะก็หัดพุทโธหัดหายใจอะไรอย่างเดิมนั่นแหละแต่แทนที่จะพุทโธเราให้จิตไปสงบอยู่กับพุทโธแทนที่หายใจเราจะให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจหรือให้จิตสงบอยู่กับท้องของยุบเปลี่ยนสักพุทโธไปแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทัน คอยรู้ทันที่ตัวจิตนะไม่ใช่น้อมจิตให้ไปอยู่ที่อารมณ์ที่ลมหายใจที่ท้องที่เท้าอะไรเงี้ยถ้าน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้สมถะนะได้สมาธิชนิดสงบแต่ถ้าจะฝึกให้สมาธิตั้งมั่นก็คือคอยรู้ทันทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละนะพุโทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยอย่างเดิมนั่นแหละแต่ไม่ใช่ประคองจิตให้ไปอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอีกต่อไปละ เอาแค่ว่าพุโทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วเราก็บริกรรมพองหนอยุบหนอไปเรื่อยนะไม่รู้ทันว่าจิตจิตนะก็ได้สมถนะแต่ถ้าเราเห็นท้องมันพองท้องมันยุบนะจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตจะหยุดการวิ่งไปจิตจะตั้งขึ้นมาเป็นคนดูจิตจะกลายเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิต เมื่อไรจิตเป็นผู้รู้เมื่อนั้นจิตไม่เป็นผู้คิดเมื่อไร่จิตเป็นผู้คิดเมื่อนั้นจิตไม่เป็นผู้รู้หรอกงั้นเราให้คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆนะพุทโธไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันถ้าเรารู้ได้อย่างนี้นะพอจิตไหลไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บจิตที่เป็นคนรู้จะเกิดขึ้นจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นหลวงพ่อนะเคยหัดสมาธิหัดลมหายใจนะ แล้วจิตตั้งมั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จักว่ามันเป็นจิตผู้รู้หรอกวันหนึ่งไปหาหลวงปู่ดุลไปเรียนท่านบอกให้หัดดูจิตตัวเองหลวงพ่อก็มาดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายคิดอย่างเนี้ยะดูในผมไหมดูในผมก็ไม่เห็นจิตในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะตั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่หาจิตไม่เจอในในร่างกายจิตอยู่ในร่างกายนะแต่ไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยจะเห็นอย่างนี้จิตไม่ใช่ร่างกายหรอก หรือจิตเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ดูไปที่ความรู้สึกสุขเลยความรู้สึกดับไปนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมานั่งไปเรื่อยให้มันทุกข์ปวดเท่าไหร่เท่าไหร่นั่งดูไปเรื่อยจนกระทั่งมันหายปวดนะก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึนนนนนนนะ้น ม, จมาจิตไม่ใช่ความรู้สึกสุขทุกขนะ์หรือว่าจิตเป็นความคิดตอนนั้นยังอินโนเซนต์มากเลยว่าไม่รู้จิตเป็นยังไงเที่ยวหาจิตอยูน่นะหรือว่าจิตคือความคิดนะจงใจคิดเลย คิดบทสวดมนต์พุโทโธสูตสุตโธกรุณามหันตนาโมใครเคยสวดบทนี้นะเมื่อกี้ทําวัดเช้าหรือทําวัดเย็นเมื่อกี้ทำวัดเย็นนะทําวัดเช้า่ดีมากเลยนะไปหัดทำซะในนั้นมีธรรมะชั้นยอดยอดอยู่เยอะเลยมีเรื่องของพิปัสนากรรมฐานเต็มไปหมดเลยนะในในทำทำวัดเช้านี่ยแหละดีมากมากเลยทำวัดเย็นหลวงพ่อยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เลยนะเรารักครูใหญ่เจ้านะสวดสวดเป็นอาศัยศรัทธา ในธรรมวัตรเช้าเนี่ยสอนกรรมาฐานเยอะเลยรูปูปาทานักขันโทเห็นไหมขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเมตนาปาทานขันโทนี่เรื่องแยกขันเสร็จแล้วพอแยกขันเสร็จแล้วก็มาดูรูปังอนิจจังเห็นไหมเห็นขันเป็นไตรลักษณ์รูปังอนัตตารูปังทุกขังหายไปไหนออในบทสวดธรรมวัตรเช้ารูปังทุกขังไม่มีทําไมอ่ะก็ะสิ่งใดเป็นอนิจจังสิ่งนั้นแหละเป็นทุกขังนะ แล้วก็ดูเป็นอนาัตตาไปนัสอนมีปรัชนาล้วนๆหน่ยนะเนี่ยนะนี่หลวงพ่อก็มาดูสวดมนต์วัฏโทสุตรโทรกรุณามาหันนังโวเห็นใจมันสุบทสวดมนต์ใจมันคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาจิตรู้จิตเกิดไปรู้ว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นทันทีที่รู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยความคิดจะดับสะบั้นลงไปเลยนะแล้วเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนจิตตั้งมั่นเด่นขึ้มาอย่างเฮ้ยไอตัวนี้ตัวเก่านะ ตัวเก่าก็ามาจากการทำลมหายใจมันก็เข้ามาที่ตัวนี้ได้เหมือนกันนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะแต่พวกเราหากง่ายๆนะคอยรู้ทันจิตที่นีไปคิดถ้าเรารู้ทันจิตที่นีไปคิดเมื่อไหร่จิตผู้รู้จะเกิดขึ้นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนียจะมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวนะมีความซื่อในการรู้สภาวะทั้งหลายรู้ซื่อๆไม่เข้าไปแทรกแซงเราต้องพัฒนาจิตชนิดนี้ให้ได้ ถ้าไม่มีจิตชนิดนี้เราจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้จิตชนิดนี้เป็นจิตที่พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจิตสงบไม่ได้พร้อมกับการเจริญปัญญาเอาไว้พักผ่อนต่างหากจิตที่ตั้งมั่นหลุดออกจากโลกของความคิดนั่นแหละคือจิตที่พร้อมกับการเจริญปัญญาพร้อมที่จะเจริญปัญญาเงั้นพวกเราหลายคนทากรรมฐานแทบเป็นแทบตายไม่สาเร็จพยายามเจริญปัญญาแทบเป็นแทบตายไม่สาเร็จ เพราะเราไม่มีจิตที่มีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเราจะต้องพัฒนาจิตชนิดนี้ขึ้นมาวิธีพัฒนานั้นง่ายๆดูจิตจิตหนีไปคิดเอารู้จิตนี้ไปคิดเอารูจารนะ้จะได้ส ม, สมาธิชนิดตั้งมัน่นถ้าจิตมีกิเลสเรารู้จะได้อะไรขอเราสิถ้าจิตเกิดกิเลสเรารู้ทันจะมีอะไรขึ้นมาจะได้อะไรได้ศีลหมถ้าจิต พุ้งไปในอารมณ์ต่างๆเรารู้ทันนะจะได้สมาธิน้อมไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่หนีไปจากอารมณ์อันนั้นจะได้สมาธิแต่ถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดนะเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นชนิดตั้งมั่นเนี่ยสำคัญมากรูปาอาจารย์วัดป่าท่านจะเรียกสมาธิชนิดจิตที่มีสมาธิชนิดนี้ว่าจิตผู้รู้นะรุ่นหลังๆจะไม่รู้จักคําว่าจิตผู้รู้แล้วมีแต่นั่งสมาธิเกิดนี้มงนิมิตอะไรก็ว่าดีไม่ได้เรื่องหรอกเกิดนิมิตมันโตก นี่ไี่ก็แปลว่าฝันนันะ้นเรามาหักนะดูจิตถ้าจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้สมถะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะเห็นอารมณ์แยกออกไปนะจิตอยู่ต่งหากเป็นคนดูเนี่ยจิตตัวนี้เป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาพอเรามีจิตที่พร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วเราก็มาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นต้องรู้รูปนามนะต้องรู้รูปนาม แต่การรู้จะรู้ในแง่มุมอะไรได้ทั้งหแบบดูมันเป็นขันก็ได้แยกขันไปดูมันเป็นธาตุก็ได้ธาตุสดธาตุดูเป็นอายตนะหกก็ได้ดูเป็นอินทรีย์22ก็ได้ดูในมุมของอริยสัจสี่ก็ได้ดูในมุมของปฏิจจสมุปบาท12 12สายเกิด12สายดับ12ก็ได้ ดูในมุมใดก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นมุมของขันหอายตนะ6กนะธาตุอินทรีย์2อริยสัจว์4ปฏิจจสุบาท12เอาเข้าจริงนะก็คือรูปกับนามรูปกับนามอย่างรูปประขันก็เป็นตัวรูปใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวนามตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวรูปใจเป็นนามมีแต่เรื่องรูปกับนามทั้งนั้นนะ นั้นในอริยสัจในปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องรูป น, น, นามอาริยสัจจะเลยขึ้นไปจากรูปนามมีอีกชั้นหนึ่งสิ่งที่พ้นจะรูปนามเปนตัวนิโรธตัวนิพพานในตัวทุกเนี่ยในกองทุกเนี่ยจะเป็นเรื่องรูปนามการรู้ทุกถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งก็จะละสมุทัยละสมุทยัทยรู้ทุกเมื่อใดก็ละสมุทัยเมื่อ น, นั้นพร้อมกันละสมุทัยได้เมื่อใดก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเห็นนิพพานในขณะนั้นที่รู้ทุกแจ้ง แจ้งนิโรธเมื่อใดอริยมรรคก็เกิดเมื่อนั้นทุกสมุทัยนิโรธมันเกิดพร้อมๆกันนะเกิดพร้อมๆกันอันนั้นค่อยภาวนาค่อยไปเห็นตอนนี้เอาง่ายๆก่อนแยกรูปแยกนามก่อนแยกรูปแยกนามนะค่อยดูร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นไหมต้องมีใจที่ตั้งมั่น mm hmm. พวกเราที่ฝึกมีปรัสนาแล้วไม่ได้ผลนะนะ mm hmm. ลมลุกลุกลานเพราะเราขาดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเอง เราต้องพัฒนาจิตเสียก่อนถึงจะเจริญปัญญาดได้เพนบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะมีศีลสิกขาใช่ไหมบทที่สองในะชื่อจิตตะสิกขานะต้องเรียนเรื่องจิตไม่เรียนไม่ได้พอเรียนเรื่องจิตตะสิกขาแล้วเราจะได้จิต2ชนิดนะจิตที่ใช้ทําสมถะอยู่กับอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะแต่จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตที่เป็นสมถะนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ง นะจิตที่ใช้เดินปัญญาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเลยก็ไดนะ้อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นแค่คนดูนะแล้วก็ฝึกจนได้จิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแลถัดจากนั้นนะมาดูรูปนามมาหัดแยกรูปแยกนามร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดนะูแยกรูปแยกนามอย่างนี้ถ้าคนไหนไม่ถนัดจะแยกกายกับจิตนะก็มาแยกความรู้สึกนะเช่นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ใครเห็นว่าความสุขคือจิตบ้างมีั้มหรือความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าในความจริงความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข well ้าเป็นอารมณ์ความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้กุศลทั้งหลายเช่นศรัทธาวิริยะสติปัญญาก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไม่ใช่จิตหอกอกุศลทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ทั้งหลาย ก็ไม่ใช่จิตหอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเราค่อยๆหัดแยกไปนะแยกธาตุแยกขันไปเรยจิตเป็นคนดูคนไหนถนัดดูกายก็เห็นเลยร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูคนไหนชอบดูเวทนาก็เห็นเลยเดี๋ยวก็มีเวทนาเกิดขึ้นในกาย<ฮ>เดี๋ยวมีเวทนาเกิดขึ้นในจิตแต่เวทนาก็ไม่ใช่กายเวทนาก็ไม่ใช่จิตนะเวทนาก็เป็นอีกขันหนึ่งหัดแยกอย่างนี้ เดี๋ยวก็เกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นที่จิตกุศลอกุศลไม่เกิดที่กายนะแต่เวทนาทางกายมีเวทนาที่จิตมีแต่กุศลอกุศลเนี่ยเกิดที่จิตล้วนๆไม่มีที่กายนะเราก็จะตัวอีกอย่างโกรธขึ้นมาพวกเราอย่างโกรธโกรธทั้งวันอยู่แล้วละ่ะนิสัยคนในเมืองใช่หไหมหงุดหงิดง่ายแย่งกันขึ้นลิฟก็โกรธแล้วละ่ะเชื่อไหมแย่งกันขึ้นลิฟก็โกรธนะทําอะไรก็แย่งกันกินข้าวาก็โกรธแย่งกันขับรถก็โกรธ ไม่พอใจหรือมีความสุขขับรถติดดีจังเลย <laughs> <laughs> อยู่วิภาวาดีวิภาวาดีใช่ไหมรถติดดีเพื่อนเยอะ <laughs> ไม่เป็นอะใจมันโกรธขึ้นมาเวลาใจมันโกรธนะลองรู้ดูลงไปดูไปตรงๆดูสิความโกรธมันเราไปรู้มันนะมัจะหายแว บ, บไปเออมันไม่ใช่จิตหรอกจิตยังเป็นคนดูนะความโกรธมาแล้วก็หายไปนะี่ยหัดอย่างเนี้ยหัดง่ายๆ โลภขึ้นมานั้นก็ดูไปที่ความโลภไม่เห็นเลยความโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตมันเป็นคนดูอยู่นะหัดแยกไปเรืยการแยกธาตุแยกขันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะสําหรับการที่จะเจริญปัญญารู้จักลวงตามหาบัวไหมอ๋อไม่รู้จักก็ช่วยอ่ะดวงตามหาบัวสอนนะบอกว่าถ้าไม่แยกธาตุแยกขันไม่พิจารณาแยกธาตุแย ก, แยกขันอย่ามาอวดเรื่องเจริญปัญญาไม่มีหรอก นีครูบาอาจารย์สายปฏิบัติพูดนะตรงกับอภิธรรมเปียกเลยนะเจริญปัญญาเนี่ยอันแรกเลยนามรูปปริเฉทะยานแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันนั่นแหละอย่างที่แรกก็แยกกายกับใจร่างกายกับใจใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหัดอย่างนี้ก็ต่อไปถ้าแยกได้ละเอียดนะร่างกายก็แยกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมแยกแยกเป็นธาตุต่อไปี ส่วนจิตใจที่ว่าดูจิตดูใจดูไปด้วยมันจะแยกเป็นขันอันนี้เป็นเวทนาขันนี้สัญญาขันนี้สังขารขันอันนี้วิญญาณขันจิตเป็นคนดูอะไรเงี้ยก็แยกขันออกไปทําไมต้องหันแยกถ้าตุแยกขันเพื่อเราจะได้เจอสภาวะเชิงเดี่ยวเช่นความโกรธก็คือความโกรธแ ล, วลวว้ ว, ว, มนะวลไม่ใช่ความโกรธปนอยู่กับจิตดูยากความโลภก็ส่วนความโลภนะเชิงเดี่ยวเลยไม่ใช่ความโลภปนอยู่กับจิตความสุขความทุกข์แยกเป็นตัวตัวไป ร่างกายรูปรูปก็แยกออกไปทำไมต้องแยกแยกเพื่อจะเห็นว่าแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานงั้นอย่างเราพิจารณาร่างกายเราเป็นปฏิกรูณาสุภาเป็นวิปัสสนาไหมพิจารณาคิดใช่ั้มวิปัสสนาไม่ใช่การคิดคาว่าวิปัสสนาปัสนะมาจากแปลว่าอะไรปัสนะว่การเห็น ไม่ใช่การคิดนะไม่ใช่วิตกนะเพราะฉนั้นวิปั ส, สนาไม่ใช่เรื่องการคิดเอาอยิงย่งมาคิดเรื่องอสุภะอะไรนี่ไม่ใช่วิปั ส, สนาใหญ่นะวิปั ส, สนานั้นต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามรูปนามนี้ต้องแยกออกไปจนถึงรูปนามเชิงเดี่ยวทีละตัวทีละตัวนะเป็นสภาวะแท้เลยนะถ้าเราไม่เห็นก็ปัญญาจะไม่เกิดเพราะไตรลักษณ์จะแสดงออกมาไม่ได้จะได้แต่คิดเอาแต่ไม่เห็นนะ ถ้าแยกได้เราจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่นะร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนดูนี่จะเห็นนะแต่ถ้าจิตไปไหลไปรวมอยู่กับลมจะไม่เห็นหรอกนะหรืออย่างความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะความสุขเกิดขึ้นในกายรู้สึกนะัจะเห็นในความสุขไม่ใช่ตัวเราความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจิตเป็นคนดูอยู่นี่จะเห็นในความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่จิต จะเห็นเลไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีว่าไม่ใช่เราแล้วก็ล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาพวกเรามีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นถึงเราไม่ทำอะไรเลยความทุกข์ก็หายเชื่อไหมเพราะอะไรเพราะความทุกข์ไม่เที่ยงแต่ทำไมมันทุกข์นานเพราะเราอยากให้หายเราอยากให้มันหายมันก็นานไปหมดนะนานทีหนึ่งก็นานแล้วใช่ความสุขสั้นเสมอความทุกข์ยาวไปเสมอ ใจเราไม่เสมอใจเราไม่เป็นกลางจริงหัดดูสภาวะไปเรื่อยนะจะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวการที่เราดูจิตนะถ้าดูจิตในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยดูอย่างนี้จะเห็นเลยว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอากุศลที่เกิดกับจิตก็ชั่วคราวตัวจิตเองก็ชั่วคราวจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับจิตที่เพ่งเกิดแล้วก็ดับ นี่แหละคือการดูจิตในขั้นเจริญปัญญานะแต่ถ้าคนไหนไม่ถนัดที่ดูจิตในขั้นเจริญปัญญาก็ดูกายเจริญปัญญาด้วยการดูกายมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะงั้นเวลาหลวงปู่ดูลสอนเนี่ยถ้าสอนถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยจะไม่ใช่การประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอีกต่อไปละหลวงฝ้าเคยไปรักษาจิตเอาไว้นะรักษาไว้ถูกท่านดูนึกว่าท่านจะชมนะท่านบอกให้ไปดูใหม่ยังไม่ได้ไปดูจิตเลยนัไปแทรกแซงอาการของจิตล้ไปรักษาจิตเอาไว้ ดูมันก็ดูการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหมือนที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลให้เจริญปัญญาด้วยการดูจิตแต่ท่านไม่ได้บอกให้ดูตัวจิตตรงๆท่านสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน สอนอย่างนี้ดูจิตนะดูสังขารดูสัญญาดูถ้าดูให้เต็มยศก็มีเบทนาอีกอย่างนึงนะถ้าดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะความรู้สึกต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตัวจิตเองก็เกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6กนี่ท่านดูอย่างนี้นะถ้าในทีสุดท่านก็เห็นแจ้งว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปอย่างความสุขเกิดขึ้นนะถ้าดูไม่เป็นก็เรื่องไม่มีความสุข ถ้าเรามีสติมีปัญญาจริงจะเห็นเลยตัวความสุขนั่นแหละคือตัวความทุกข์นะมันทนอยู่ไม่ได้จริงนะมันก็มาบีบคั้นจิตเวลามีความสุขเกิดขึ้นจิตถูกบีบคั้นนะถูกบีบคั้นเพราะความสุขมีไหมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วช็อกตายมีไหมอ๋อนั่นถูกบีบคั้นรุนแรงนะอถูกรางวัลที่หนึ่งวไปขึ้นก่อนเป็นลอตเตอรี่เก๋ถูกบีบคั้นไหบีบคั้นะจิตนันถูกบีบคั้นตลอดอะ เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเห็นว่ามีทุกทั้งนั้นเลยเพราะฉั้นเวลาเราจะดูจิตนะเราได้ยินคําว่าดูจิตดูจิตอย่ามักง่ายอย่าคิดว่าดูจิตคือดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงตรงหลวงปู่ดูลเคยบอกอย่าใช้จิตแสวงหาจิตนอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอสอนขนาดนี้นะเะฉะนั้นคําว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่แปลว่าดูจิตตรงตรงหรอกนะมันคือการรู้เท่าทานจิตตนเองนะถ้าดูจิตระดับนี้จะได้ศีลดูจิตระดับนี้ได้สมถะ ดูจิตชนิดนี้ได้ความตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาดูจิตแบบนี้เกิดปัญญานะไม่เหมือนกันดูถ้ารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกับจิตจะได้ศีล น, นะรู้ทันความฟุ้งไปของจิตนะฟุ้งไปต่างๆนานาที่เขาสแสวงหาอารมณ์โน้อนอะารมณ์นี้ไปไม่ยอมอยู่ในอารมณ์เดียวน้อมมันมาอยู่ในอารมณ์เดียวก็ได้สมถะนะถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทนันเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิด พอจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยก็แยกได้สองพวงพวกหนึ่งดูกายก็ได้พวกหนึ่งดูจิตก็ได้ไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตไม่ใช่ทุกคนต้องดูกายนะสติปัฏฐาน4ีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเทียบเหมือนประตูเมืองสี่ทิศในอภิธรรมจะสอนไหมเหมือนประตูเมืองสี่ทิศนะเข้าประตูไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเริ่มจากกายหรือทุกคนต้องเริ่มจากจิตฉริตนิสัยคนไม่เหมือนกันอย่างพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ต้องดูกาย นะพวกคิดมากต้องไปดูจิตเอาแต่ละคนไม่เหมือนกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนเะขาก็มีหลายวิธีในการปฏิบัตินะอย่างพระอ น, นุน์นะคืนสุดท้ายเนะี่ยพระอนุน์ยังตราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายเนะีนะ่ยบรรลุพระอรหันด้วยกายนะไม่ใช่ด้วยจิตดูกายนั่นแหละนะพระสารีบุตรนะฟังเรื่องเวทนานะบรรลุพระอรหันฟังธรรมเรื่องเบทนาพระอนุรุตดูจิตนะบรรดูพระอรหัน ใครจเจริญธรรมานุปัสสนาแล้วมารูุพระอรหันต์ยกตัวอย่างได้ไหมพระพุทธเจ้าไเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจงั้นมีหมดนะนะมีทุกแง่ทุกมุมงั้นเราอย่าไปใจแคบนะว่าต้องแนวนี้ต้องแนวนี้อย่าพวกเรายุคนี้ดูจิตเยอะอย่าไปบอกว่าคนที่เขาดูกายทําไม่ได้นะแต่พวกที่เขาดูกายให้อบอกพวกดูจิตทําไม่ได้เนะขาไม่ได้อ่านตำรา <c oughs> งั้นการปฏิบัตินะ่ะมีกว้างกวงนะ บางทีก็ใช้สมาธินำปัญญาที่ใช้ปัญญานำสมาธิบางทีใช้สมาธิกับปัญญาควบกันใช้สมาธินำปัญญาทำสมาถิก่อนจนจิตสงบดีแล้วนะแล้วมาฝึกจิตตั้งมั่นแล้วก็มาดูกายพิจารณากายถ้าจิตมีสมาธิมากจิตไม่ยอมดูไตรลักษณ์ของกายก็คิดพิจารณากายาว่าเป็นไตรลักษณ์นันะ่นเอตรงที่ยังคิดว่ากายเป็นไตรลักษณ์เนี่ยยังไม่ใช่วิปัสนาแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตไม่ติดนิ่งติดเฉย นะพอจิตมันเคยดูกลายเป็นไตรลักษณ์พอมันดูเองตรงนี้มันจะขึ้นวิปัสสนาไดนะ้อันนี้ใช้สมาธินําปัญญาเนี่ยจะไปดูกายดูเวทนาใช้ปัญญานําสมาธิก็อย่างพวกคนเมืองเนี่ยดูจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสมาธิเกิดทีหลังนะสมาธิจะดีขึ้นเรื่อยๆเนะพราะจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้จะได้สมาธิขึ้นมาส่วนพวกที่สมาธิกับปัญญาควบกันเนี่ยต้องชํานาญ2อย่างต้องชํานาญในฌานกับต้องชํานาญดูจิต พอเวลาเข้าไปในฌานเนี่ยเราจะไปดูองค์ฌานดูจิตนั่นเองนะงนั้นทางปฏิบัติมีเยอะแยะนะอย่าใจแคบว่าต้องอันนั้นต้องอันนี้แต่ละทางดีสําหรับแต่ละคนเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้เท่านั้นนะงั้นะอย่าไปนึกว่ามีแค่เท่าที่เรารู้ไม่ใช่นะแล้วของเราถูกของคนอื่นผิดไม่ใช่ใจแคบไปถ้าเรียนให้ดีแนละ้วสบายมากเลยอะไรอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่รู้หลักนะอะไรอะไรก็ผิด ทำอะไรก็ผิดหมดเหมือนกันนี่หลวงพ่อกะเวลาไม่ถูกเมันไม่ได้เริ่มตอนสิบแปดตรงตรงเอาแค่นี้ก็แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวจะมาถามหลวงพ่อ <c oughs> เด๋ยวพ่อจะถามกลับบ้างนะ <c oughs> ว, ว่าดูจิตยังไงให้มีศีลโดยจิตยังไงเกิดสมถะโดยจิตยังไงให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโ <c oughs> ดยจิตยังไงให้เกิดปัญญา การนักการหลวงพ่อค่ะปกติหนูฟังซีดีค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ถามหลวงพ่อคือเป็นคนที่ฟุ้งซ่านนะคะมี mm hmm. โทสะจริต mm hmm. มีโมหะอะไรเงี้ค่ะแต่ก็ตั้งแต่มาฟังซีดีหลวงพ่อพยายามตามรู้สภาวะค่ะ mm hmm. แต่ก็บางทีก็รู้เร็วบางทีก็รู้ช้าค่ะเ mm hmm. ลยยังจะขอ ควาเมตตาจากหลวงพ่ออยากจะรู้ให้เร็วๆอีกไหมให้รู้ว่าอยาก <c oughs> เราสั่งสติให้เกิดไม่ได้นะสติเป็นอนัตตาันมันจะรู้เร็ว ร, รู้ไม่เร็วนะเราสั่งไม่ได้แต่เราฝึกได้จิตที่เป็นอนัตตก็จริงนะแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้จิตของคนทั่วไปเนี่ยไม่เคยมีสติจริงไม่เคยรู้กายไม่เคยรู้ใจมมีแต่รู้ออกนอก งั้นเราต้อมาฝึกให้มันหัดรู้กาย ร, รู้ใจบ่อยๆต่อไปมันรู้ไวขึ้นไปขึ้ น, นแต่ว่าการภาวนานะไม่ว่าจะฝีมือขนาดไหนเนี่ยบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมอันนั้นเป็นธรรมชาตินเจริญแล้วเราหลงดีใจก็เสียท่าละเสื่อมเราหลงเสียใจก็เสียท่าละให้รู้ลงไปเรื่อยๆขอถามอีกนิดนึงค่ะเราที่ทามานี้ถูกไหมคะทำมาตัวดีนะแต่ว่าใจมันยังฟุ้งเก่งใช่ไหมใจมันฟุ้ง ดั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมอะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดนะต่อไปจิตไหลแป๊บเราจะรู้ทันอย่างรวดเร็วเลยถ้าจิตหนีไปคิดเราไม่รู้ทันนะเดี๋ยวจิตที่จะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาถ้าเรารู้ทันตรงนี้ก็ใช้ได้ถ้ายัางรู้ไม่ทันอีกมีความสุขราคาก็แทรกมีความทุกข์โทสะก็แท้อะไรเงี้ยถ้ารู้ทันราค์ทุกข์โทสะที่เกิดก็ยังใช้ได้นะถ้ารู้ไม่ทันจิตก็จะเกิดความอยาก ถ้าความอยากเกิดเมื่อไหร่จิตจะทํางานถ้ารู้ไม่ทันใจที่อยากนะจิตจะดิ้นรนถ้าจิตดิ้นรนได้ยังไงจิตก็ต้องทุกข์ละงั้นอยู่ที่ความเร็วถ้าเรารู้ได้เร็วนะจิตก็ไม่ทันจะทุกข์หรอกแต่ถ้ารู้ชา้าจิตก็ทุกข์ไปก่อนยุติธรรมดีขอบพระคุณเคราะาอัดเสียงไว้ไหมบันทึกเสียงอยู่หรอแล้วหนูไปขอฟังนะ ห, หนูฟังหลวงพอตอบหนูจำไม่ทันหรอก กัวแต่ตื่นเต้นหกเดือนที่ผ่านมาก็ทำในรูปแบบมากขึ้นค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านน้อยลงแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็รู้ทันกูกุจะมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่จะทำคือว่าเห็นเห็นกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ค่ะแต่ว่าไม่เห็นใจเป็นผู้โลค่ะไม่เป็นไร ไม่ต้องจงใจไปดูตัวผู้รู้นะแค่เห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้แค่นี้พอแล้วแล้วก็ที่เห็นแ ย, แยกได้นั่นถูกแล้วค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะพอดีคุณแม่มาด้วยรบกวนแนะนําคุณแม่หน่อยได้ไหมคะคุณแม่ยกปืนหน่อยค่ะต้องดูว่าคนจัดเขายอมเปล่าเอาสิค่ะเรียนเชิญค่ะโอ้กลับหน้าสการหลวงทอค่ะ จะถามอะไรจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็รู้อยู่ไม่ใช่ฟุ้งซ่านเราไม่รู้นี่แต่รู้น้อยนะอยากรู้มากเลยยังทำไม่ได้ภาวนาไปนะภาวนาไม่ได้ยากอะไรหรอกนะจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตเบิกบานรู้ว่าเบิกบานนะดูอย่างนี้แหละดูไปเรือแล้วก็เห็นไหมความสุขก็ไม่คงที่ นี่ยความเบิกบานก็ไม่คงที่อะไรเงี้ยนะเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้แหละทำได้อยู่ดีก <c oughs> ับคุณค <c oughs> ่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณปีกว่าๆค่ะก็ตอนนี้ก็ไม่เป็นกลางค่ะไม่เป็นกลางเหรอแล<ม>้วไงค<น>ะแล้วก็อยากเป็นกลางอยากเป็นกาง <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้น ก็รู้ว่าตื่นเต้นคก ะ, ะรู้ลงปัจจุบันไปมันจะตื่นเต้นก็ห้ามมันไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้ว่าอย่างเป็นกลางเลยไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่าไปบังคับจิตอย่าไปข่มจิตรู้ไปสงสัยเรื่องแยกรูปแยกนามอะค่ะหลวงพ่อทำไ ม, ะไม่ะไม่เข้าใจเวลาเราพูดอ่ะรู้สึกไหมร่างกายมันขยับเงี้ยไม่มันมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะ เนี่ยใครดูไปเนี่ยไปยักหน้าเห็นไหมร่างกายนี้เคลื่อนไหวจิตไปรู้เขา้าหัดรู้อย่างเนี้ยหัดรู้ไปเรื่อยนะต่อไปว่าเห็นเอง เ, เห็นไหมคิดๆเนี่ยเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดู <c oughs> นะหัดอย่างนี่แหลเดี๋ยวก็แยกออกค่ะคุณครับกราบนมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมตื่นเช้ามาเนี่ยพอรู้สึกตัวตื่น แตก่อนตื่นเนี่ยมันจิตมันไปคิดอยู่มันจะเป็นเหมือนกับไปหลงฝันอยู่ค่ะพอตื่นรู้สึกตัวปุ๊บความทุกข์มันจะโดดเข้ามาทั้งกายทั้งใจอะค่ะแต่ก็ชั่วคราวพอเราสะบัดแข้งสะบัดขาลุกขึ้นอารมณ์ตรงนั้นมันก็เบาลงก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมยมจะได้สติจากการเดินจงกรมคือเห็นว่าพุโทโธไปเนี่ยจิตมันก็จะเผลอไปคิดเผลอไปคิดแล้วก็กลับมาเริ่ ม, มทพุโทโธ ทำอย่างนั้นแหละอะะะไรนคทำอย่างนั้นแหละดีแล้วแต่ถ้าเปิดนั่งสมาธิเนี่ยโอกาสที่จะจิตตั้งมั่นเนี่ยส่วนมากมันจะไปอยากหาความสุขสงบไปพักมันก็จะเข้าไปผวังจิตจะรวมหรือนู่หรือตัวนี่จะน้อยอะค่ะคืออย่าให้ขาดสติก็แล้วกันนะในเวลาจิตรวมบางทีโลกธาตุนี่หายไปเลยค่ะร่างกายหายไปหมดนะแต่ความรู้สึกอยู่เนี่ยไม่ขาดสติอย่างนั้นถึงจะใช้ได้ค่ะถ้ารวมแล้วก็หมดสติไปไม่ดี ค่ะก็ฝืนเอาไว้ไม่ให้มันงุ่นวงไปเวลารวมนะจิตรวมลงไปเนี่ยไม่ขาดสตินะต้องรู้ตัวตลอดค่ะแต่ถ้านั่งแล้วมันก็เคลิ้มขาดสติไปเรื่อยเราก็ไปเดินค่ะหรือนั่งเคลื่อนไหวนั่งขยับมือก็นั่งไม่นานนะคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะค่ะก็ดีตรมไปแล้วทีนี้โจมเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันถูกจิตคิดทุกอย่างเนี่ยแล้วเราคิดแล้วตามมันไม่ทันที่จะขยับอะไรนี้มันคิด แต่เราไม่รู้ว่ามันคิดอยใช่ใแล้วมันสลับกันเห็นว่าพูดไปฟังไปคิดไปทุกอย่างมันสลับกันเร็วมากนั่นแหละนั่นแหละแต่ตามไม่ทันนะคะไม่ต้องทันหรอกค่ะนะเราไม่ต้องตามให้ทันนะเราก็แค่จิตเดี๋ยวก็ไปดูจิตเดี๋ยวก็ไปฟังจิตเดี๋ยวก็ไปคิดมันเป็นเองค่ะรู้รู้สึกไหมมันเป็นเองมันเป็นเองค่ะนั่นแหละเราเห็นอนัตตาคิดร้ายคิดไม่ดีอะไรมันก็เป็นเองค่ะแล้วก็หลงเยอะอ่ะค่ะส่วนมากจะตาม ไม่รู้สึกว่าเราไปคิดอยู่จะเห็นเฉพาะเวลาที่เดินจงกรมเนี่ยจะเห็นชัดแต่ระหว่างวันนี่จะหลงมากอะค่ะเด่นๆเราเดินทุกเก้านะเดินเหมือนเดินจกกรมยกเป็นตอนเดินข้ามถนนอย่างเดินตับห้องโน้นห้องนี้นะเดินแบบเหมือนเดินจงกรมเดินรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวค่ะหลวงพ่อทําตลอดเลยนะกระทั่งเดินไปห้องน้ํานะสมัยทํางานอยู่ในตึกอย่างนี้เหมือนกันนะ จากห้องนี้ไปห้องน้ำมันเดินดูกายมันเดินไปก็เห็นว่ากายมันทุกของมันส่วนหนึ่งใจมันก็ทุกของมันไปส่วนหนึ่งเวลาไม่สบายบางทีก็รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่แต่ไม่ได้อยากจะอยู่เพื่อเพื่อตอบแทนคุณพระศาสนาเพื่อเผยแพทย์ต่อไปนะคะข้อแยกออกไปนะว่าในตัวจิตเองอก็ยังมีตัวรู้ถ้าพูดแบบปริยัตินี่จิตกับเจตสิก อย่างความรู้สึกต่างๆนี่นไม่ใช่จิตหรอกน ะ, ะจิตเป็นคนที่ไปรู้มันเข้าค่ <นะ S 1> คอยๆแยกไปเรื่อยแยกไปอยากให้หลวงพ่อถาม่ะคะ<า>เมว่าแต่งค ำ, คำตอบมา ร, <อ>รู้สึกมันไม่เป็นไม่สดนะคะสบายดีหรือกับขอบพระคุณเจ้าค่ะ เนี่ยดูไปอย่างเนี้นะใจมันคลายออกแล้วก็ดูมันทํางานไปขออีนิดนะคะโยมรู้สึกว่าเวลาเห ล, เหลือน้อยคิดอยู่เสมอคะ่ะว่าเหมือนกับความตายมันจะใกล้เข้ามาคะ่ะคิดอย น, นก็ดีแล้วนะแต่ได้แค่ไหนแค่นั้นเราตั้งหลักมาอย่างนี้นะเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เอาอะไรกระทั่งมรรคผลนิพพานค่ะเราถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพราะพุทธเจ้าส่วนจะได้อะไรไม่ได้อะไรแล้วแต่เวรแต่กรรมเราทําให้เต็มที่เท่านั้นนะคะค สมมติถ้าเราหลงพีคิดอยู่ movie, แล้วเกิดเราตายตอนนั้นนี pues <S <S <S <s <S ่ก็ก็คือว่าเราก็เป็นเดรัจฉานอย่าไปคิดมันนะคะเรียนรู้ตรงมาเรื่อยๆมันยุติธรรมนะยุติธรรมที่สุดเลยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพิจารณาดีอนาไปเรื่อยๆนะเพิ่งเคยส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะ ปกติก็จะเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแต่ว่าไม่ได้ทําทุกวันเจ้าค่ะ เ, <ม>เวลา nang เนี่ยสังเกตได้ชัดที่สุดก็คือฟุง<ม>้งบ่อยมากพ อ, อ, อฟุ้งไปก็จะรู้ว่าฟุ้งแต่ว่าไม่ได้รู้ทุกครั้งจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะว่าไม่ได้ไปดักดูก่อนแล้วอารมณ์ที่เกิดระหว่างวันที่บ่อยที่สุดก็คือฟุง้ง ลองลงมาก็คือหมุดหยิดเจ้าค่ะนี่ไงฟุ้งซ่านแะล้วก็ต้องต่อลำคานใจใช่ไหยตามสูตรค่ะแล้วก็ อ, อสงสัยอะเจ้าค่ะว่าที่ทําอยู่เนี่ยมันถูกหรือเปล่ามันก็ถูกนะมันถูกเป็นลําดับลําดับไปตอนนี้รู้สึกไหมว่าโลกกับจิตเนี่ยคนลานกันรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างมันเริ่มห่างออกไปแล้วนะค่ ะ, นะคะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสไปเข้าคอร์ส บางคนนะชอบไปเรียนจากอาจารย์นี้สอนอย่างนี้ถูกไม่ถูกพูดให้เราถูกขัตกรรมค่ะแล้วช่วงจังหวะสุดท้ายเลยของวันก่อนที่จะเลิกอะคะ่ะมีมความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมเริ่มเหนื่อยแล้วแล้วก็ง่วงนอนมากอะคะ่ะ<ม>แล้วก็นั่งไปทีนี้มันก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันเห็นกาย<ม>ว่าเออ กายเหนื่อยแล้วนะแต่จิต ม, มันยังสดชื่นแต่มันก็มีคําถามขึ้นมาหลังจากจบณนะช่วงเวลานั้นว่าเราคิดไปเองหรือเราเห็นจริงจริงว่าเรารู้โลปัจจุบันไปนะว่ากําลังสงสัยอยู่น ะ, ะแล้วเราก็จะเห็นเลยความสงสัยนะไม่ได้เจตนาสงสัยนะจิตมันสงสัยได้เองรู้มันเฉยเฉยมันก็ดับของมันเองสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเราเรียนกรรมฐานนี่ไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้เลยเราต้องการเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ เอาแค่นั้นก็พอเหลือเฟือละค่ะนะแล้วที่ทําอยู่นี่คือถูกหรือยังเจ้าค่ะโอ้ถ้าทําก็ถูกเลยเนาะถ้าไม่ทําล้วผิดแน่นอนเลยแลสีนดีขึ้นไหมดีขึ้นเจ้าค่ะอ๋ออย่างนี้ก็เริ่มวัดได้แล้วว่าถูกขึ้นไหมกูสนเจริญอะกูศลเสื่อมไปจิตใจอยู่กับเนือกับตัวมากขึ้นไหมมากขึ้นเจ้าค่ะนะสมาธิก็ดีขึ้นไหมกูศลเจริญอากูศนก็ลดลงแยกธาตุแยกขันได้มากขึ้นไหมล่ะ เห็นไม่ไกลกต่ใจก็คนละอันเริ่มเห็นเจ้าค่ะก็เจริญเลยนะก็ถือว่าตอนนี้เจริญนะเจ้าค่ะแต่ถ้าผ่านไปหนึ่งปีก็ได้เท่าเดิมถือว่าคงที่นะเพื่อนเจริญกว่าแล้วเนี่ยเราแสงขยันนะดูไปเรื่อยแล้วจิตตื่นหรือยังเจ้าค่ะใช่หลวงแยกขันได้จิตไม่ต้องตื่นสิขอบพระคุณเจ้าค่ะเมื่อก่อนหลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วตื่นแล้วนะก็คือจิตตั้งมั่นเท่านั้นเองอ่ะ จิตตั้งมั่นหรือจิตตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดใช่ไหมเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาบางคนหลวงพ่อบอกว่าจิตตื่นนะบอกหลวงพ่อประมุขบอกได้โสดา <c oughs> โอ้ฟังแล้วเศร้าใจคนละเรื่องกันเลยจิตแค่รู้สึกตัวจิตที่ตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเท่านั้นเองยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยยังไม่ได้โสดาด อ, อก จิตตื่นเป็นเรื่องปกติแล้ววันนี้นะใครพูดเรื่องจิตตื่นเฉยแล้วนะต้องพูดเรื่องแยกธาตุแยกขันแล้วอ่ะต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะออหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสองปีอะคะ่ะก็เป็นคนฟุ้งซ่านมากแล้วก็สมาธิน้อยอะคะ่ะก็เลยเออใช้วิธีดูความคิดตัวเองช่วงกลางวันนะดูยังไง รู้ทันว่าว่าคิดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เห็นความคิดเผลอคิดแล้วก็มีเห็นโทสะหลังๆก็มีอัตตาค่ะเริ่มเห็นอัตตาเพิ่มน้ำไปฝืก อ, อย่างนั้นแหละฝึกบ่อยๆจะไปศีลสมาธิปัญญาเยืดีขึ้นค่ะทีนี้ไม่แน่ใจบางทีรู้สึกว่าโลภค่ะแบบอยากเกิดสติบ่อยๆนี่บางทีมันเหมือนไป พยายามดูก็เลยไม่แน่ใจว่าบางครั้งมันมันจินตนาการไปเองหรือเปล่าว่ามีสติอะค่ะหลวงพ่อค่ต้องอยู่ที่รู้ทันเอา น, นะรู้ทันสติไม่ได้เกิดเพราะอยากสติมันเกิดเพราะว่าจิตมันจำสภาวะได้แม่นหันดูสภาวะบ่อยๆสติก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างทีแรกเราหัดใหม่ๆนะต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้ใช่ไหมเราหัดดูบ่อยๆนะขัดใจเล็กๆเราก็เห็นแะนะ อย่านีสติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นค่ะต้องค่อยฝึกเอาค่ะหนูถามคำถามเชยๆ ไ, ไม่เข้าว่าจิตตื่นหรือยังหลวงพ่อเขาตอบเฉยๆว่าไปดูเอาเองจิตตื่นหนูเป็นสนใจมากเราไปให้ค่ากับมันมากไปนะจิตตื่นเป็นภาวะที่จิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเท่านั้นเองแล้วไม่หลงชั่วคราวเดี๋ยวก็หลงใหม่เพราะนั้นเวลาจิตตื่นนะตื่นแวบๆเดี๋ยวก็ฝันต่อแล้ว นั่นไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะว่าจะต้องตื่นตลอดเวลาถ้าไม่ได้ทรงฌานอยู่นะจิตไม่ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันหรอกเพฉะั้นอย่างพวกเราเนี่ยสมาธิที่พวกเรามีมันคือกานิกาสมาธิเกิดเป็นแวบๆบหแบบแบบนึบนะอยากลบกุลหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็หลับง่ายๆมีแต่ว่าเรารู้จักจิตที่ตื่ น, น, นรรขึ้นมาแล้วรู้สึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกขึ้นมานะก็เดินปัญญาต่ตอนะ <Okay. S 2> เห็นร่างกายของถูกรู้ถูกดู จิตใจสุขทุกข์ดีชั่วถูกรู้ถูกดูหัดไปเรื่อยหนูต้องทำอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างเช่นสมาทาใจมันฟุ้งไปนะนั้นไหวพระสวดมนต์หัดพุทโธไปอะไรไปก็ได้ค่ะกราบขอพระคุณค่ะกราบนวัชการหลวงค่ะช่วงนี้รู้สึกตัวเองเนี่ยเหมือนกับเวลาภาวนาหรือว่านั่งสมาธิมัน แรกๆมันก็จะรู้สึกว่าดีซึ่งพอมันมันมันจะรู้ได้เร็วอะค่ะมันแบบว่าอันรู้ว่าหลงแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยพอไประยะหนึ่งเนี่ยมันมันก็จิตมันจะรวมแล้วทําให้เคลิมแล้วมันก็หลับไปเลยมันก็แบบพอพอหลับปุ๊บเนี่ยมันพยายามเหมือนกับว่าพยายามรู้ว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะหลับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอย่างที่หลวงพ่อบอกให้แยกธาตุแยกขัดปุ๊บเนี่ยมันมันก็มันแยกมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แยกด้วยด้วยความรู้ึ ความรู้สึกมันลูกแยกมันด้วยบอกมันคิดว่าเบื้องต้นคิดก่อนก็ได้นะถ้าสมมติมันจะรวมจะหลับลูกเดียวนะคิดพิจารณาเข้าไปเลยไม่ยถึว่าถ้าเกิดเราคิดไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอคะไม่เบื้องต้นอ่ะจะคิดสั ก, ก่อนก็ได้ะนะหัดคิดไปร่างกายนะผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอะดูกหรือว่าร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้านี่ไม่ใช่ตัวเราเลยคิดก่อนก็ได้นะต่อไปแล้วจิตมันเคยที่จะดูแล้วมันจะเห็นเอง แล้วแล้วพอพอเราคิดแน่เหมือนกับว่าเราต้องต้องมาบอกตัวเองปะคะว่ากำลังคิดจิตคิดอยู่ไม่เห็นต้องบอกแลยมันก็รู้อยู่แล้วว่าคิดเอาอคิดเอากับรู้สึกเอาไม่เหมือนกันนะเรารู้สึกเนี่ยคิดละนี่ยกละยกละย ก, ล ะ, ยกละอย่างนี้คิดเอาแต่พอทำไปเรื่อยๆมันเหมือนกับกลายเป็นว่าพอมันจะไปเพ่งต่อค่ะ <c ười> เพ่งรัวเพ่งจงใจมากไปแลเพ่ง อยากรู้ตลอดเวลาอยากรู้ไม่ให้เปลอไม่กลายเป็นเพ่งเพ่งมันตามหลังความโลภไนะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคือคือน้าวันนี้ก็คือให้ให้คิดไปก่อนได้เลยใช่ไหมได้คิดไปก่อนได้นะแล้วแต่พอพอรู้ว่าเพ่งก็ให้รู้ว่าเพ่งแล้วก็กลับมา<อ>คิดใหม่ถ้า <laughs> คือคือพอรู้ว่าเพ่งก็ปู ก, กปลับมาคิดว่าออกกําลังเพ่งนะแล้วก็ให้แค่รู้ลองรู้ไปเรื่อยๆนะเบื้องหลังการเพ่งก็คือโลภนะมันอยากถ้าเรารู้ไดตัวนี้ได้ยิ่งดีใหญ่เลยเราจได้พัฒนาเร็วหน่อยแล้วแล้วถ้าเรารู้ว่าเราโลภคือคือบางทีเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเราอยากนะแล้วพอพอรู้ว่าอยากปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันมันมันไปต่อไม่ถูกอะค่ะอยู่กับปัจจุบันไม่ไปไหนอะ ก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจออมาอยู่กับลมหายใจไปแล้วก็เห็นในร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราดูไปงั้นก็ได้แต่พอดูไปสักพักมันก็จะกลับไปหลัง ม, มันจะสงบเวลาที่เดินปัญญาเนี่ยไม่มีใครเดินปัญญารวดเดียวตลอดหรอกจิตจะพลิกไปเป็นสมถะเป็นช่วงๆนะจะรวมเป็นช่วงๆไปเป็นทุกคนแหละเป็นเรื่องปกติแปลว่าตอนที่เป็นตอนที่รวมเนี่คือสตินี่อยู่แล้วใช่ไหยคะให้ถ้าต้องก็งมีสตินะ ถ้ารวมแล้วขาดสติไปแล้วฝันอยู่ข้างในแล้วไม่ดีถ้าอย่างนี้นเดินจงกรมดีกว่าเคลื่อนไหวหรือถ้าเดินจะเมื่อยนะหลวงพ่อมีพัดนะมีพัดเหรอต้พัดถ้าหน้าร้อนเราพัดอย่างนี้หน้าหนาวเราพัดนี้ก็ออ <c oughs> ลฉลาดหน่อยนะใหือปอดบวมตายทำไมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนี่ยหลวงพ่อเขามีคาถามอีคคำถามนึงจะถามว่า ถ้าอย่างอย่างเรารู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่พอมาถึงจิตปุ๊บมันไม่สามารถที่จะตัดเข้าไปได้ว่าไม่ใช่เรามันมันก็ยังคงรู้สึกมันต้อ ง, ง, องค่อยๆฝึกไปค่อยดูก่อนว่าความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราให้หัดเป็นลําดับไปนะอยู่ๆวป <c oughs> ดูจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ง่ายนะผู้เจ้าท่านสอนเนี่ยบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราแต่มีแต่คําสอนของท่านนะธรรมวินัยนี้นะ หรืจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราถ้ายังมีจิตเป็นเราอยู่แนละ้วตื่นจะเห็นกายไม่ใช่เราก็เป็นโสดาบันไม่ได้อย่างสงวนรักษาขันบางขันเป็นตัวเราอยู่ไม่คิดต่อไปแต่ว่าพอมันฟุ้งซ่านเขาทาความสงบเข้ามานะมรสกการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งแรกฟังซีดีหลวงพ่อมานานครับเขาฝึกมาหลายๆแบบครับเคยไปฝึกปฏิบัติอย่เ อ, อ่ยชื่อนะครับเป็นครับก็ ตอนนั้นนี้รู้สึกว่ามีสมาธิดีแล้วก็ครั้งหนึ่งวันหนึ่งนี้นอนนอนหลับเองลงไปแล้วก็รู้สึกว่ามีมืออะไรแปลกๆมาเกาที่ขาก็คือมือตัวเองเพะนั้นครูรู้สึกที่ที่เห็นได้อันนั้นคือเป็นเราเห็นของจริงเราเห็นรูปนะรูปซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราแล้วนี้ครับตอนนี้ตอนนี้ฝึกแบบก็คือครูกันคือลมหายใจก็ดูเวทนาแต่ว่าติดอยู่ที่ว่า ดูลมหายใจแรกๆจะเพ่งมากแล้วบีบอืมากมันดูง่ายๆเวลาจะรู้ลมหายใจนะ <c oughs> <c oughs> มันมีเคล็ดลับนะ <c oughs> ส่วนมากเวลาเราจะรู้ลมหายใจเราตั้งท่าก่อนอะ <c oughs> <c oughs> เริ่มดูแล้ว <c oughs> ง, ลง่ายกว่าเพ่งถ้าจะรู้ลมหายใจเนี่ยตอนนี้ก็หายใจอยู่แล้วก็รู้เข้าไปเลยครับมันมีทริคนิดหนึ่งนะถ้ารู้ลมหายใจออกก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยเพ่งหรอกแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยกันรู้ลมหายใจเข้านั้น แข็งเรียบร้อยเลยกว่าจะคลายออกนั้นนานเลยเคยลองลมหายใจออกแต่ก็เหมือนกับบังคับให้มันออกมาแรางๆไม่ต้อ ง, มงไม่ต้องไม่ต้องมีลมอยู่ในปอดนิดนึงก็ออกนิดหนึง่งนะไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแล้วก็ต่อจะจะจ ะ, จะนั่งต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเวทนาในกายที่มีอยู่ยนะครับเวาลาดูแยกกา ย, แย ก, แ, ยกแยกเวทนาแยกจิตไหม แต่จะแยกเวทนากายครับแล้วดูด้วยว่าไม่ใช่จิตครับแยกให้ได้สามขันนะดูเวทนาครับยังไงก็ต้องมีจิตแต่ก็แต่ก็มีติดอยู่ที่ว่าบางทีก็จะเคลิ้มหลับไม่รู้ตัวไปเรื่อยๆช่วงนะครับตรงนี้นายงไหมไม่นานครับเอไม่นานให้มันพักไปจิตมันจะทําความสงบเป็นช่วงๆไม่ใช่ปัญหานะแต่ถ้านั่งทีไรก็หลับทุกทีเนี่ยไม่เอาะแล้วจะต้องจัดการนะ้ครับ มีอะไรที่ผมต้องเพิ่มเติมไวิหารธรรมอะไรที่ชิด ต, ตอนนี้รู้ตัวไหมไม่ไม่ไม่ไม่น่จะไม่รู้ตัวฉิดมีโมหะไหมรูออกไหมมีครับ อ, อ, อ่ะผ่านถ้ารู้ทันจะไม่ใช่ปัญหาครับแล้วก็เสริมอีกนิดหนึ่งคือจะมีสตริรู้ตัวตัวเองตอนที่มีอารมณ์แรงๆเช่นตกใจหรือว่าขับอะไรเงี้ย อ, อ, อันนั้นจะจะเกิดขึ้นมาเองเออแรกๆก็ต้องงั้นนะจะเห็นอารมณ์หยาบก่อน อย่างถ้าฝึกไว่อย่างคุณเนี้ยสมมติว่าไม่ได้มากผลในชีวิตนี้หนะ้าตายซะก่อนสมมุตินะเอชาติหน้าเนี่ยตอนเด็กๆมีอะไรตกใจนิดเดียวนะดีขึ้นมาเลย<ช>อย่าขึ้นมาเองครับตอนเด็กๆเคยรู้สึกตัวขึ้นมาไหมไม่ไม่มีครับเออพิงพ่งเพิ่งเริ่มฝึกตอนโตครับ อ, อ่ ะ, อะต่อไปนำ้ำมัสการครับหลวงพ่อครับครั้งแรกตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับคือผม รับราชการเป็นพนัก ง, งานสอบสวนนะครับความทุกข์ตัวเองก็มากแล้ววันๆก็ต้องรับความทุกข์คนอื่นอยู่เรื่อยๆผมก็ฟัง CD หลวงพ่อก็ใช้เทคนิคของหลวงพ่อเดินไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้เขาก็สงสัยว่าทาไมเข้าห้องน้ําบ่อยก็เวลาออกไปตัวที่กระเหตุก็พยายามจะดูฮะใครแซงรถตํารวจก็อุโกรธเป็นอัตตาอุกโกรธก็พยายามดูกลับบ้านไปก็ออกเวรก็พยายามทําในรูปแบบฮะปรากฏว่าดูลมหายใจอ ดูไปสักพักก็เหมือนเคิมเคิมขาดสติไปมือไปขยับเองบ้างคอขยับเองบ้างทีนี้ก็พยายามรู้สึกตัวแต่รู้ก็รู้ไม่จริงเหมือนก็ไปเพ่งมันไว้เหมือนเหมือนตำรวจจ้องจับผู้รายเพ่งมันก็หนักๆ ก, ก, ก็ไม่ทําเลยออืก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงดูเล่นๆสินะอย่าดูแบบตำรวจจับผู้ร้ายนะ <laughs> <laughs> ดูเล่นๆดูสบายๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่น่ะดีแล้วะนะค่อยๆฝึกไป รู้สึกไหมว่ากายกับจิตคนละอันมันมันแปลกๆมันเหมือนนั่นแหละนั่นแหละคอนโทรนตัวเองไม่ได้เลยเหมือนเหมือนคนบ้าเลยเออนี่แหละเหมือนสมเด็จโตบอกนะว่าครัวโตดีเขาว่าครัวโตบ้านะเวลาครัวโตบ้าเขาว่าครัวโตดีคนในโลกมันบ้าต่างหากคือที่ผมปฏิบัตินี้ไม่ไม่ผิดถูกใช่ไหมถูกเพราะว่าคนรอบข้างเป็นห่วงฮ คนรอบข้างเป็นห่วงว่าคือก่อนที่ก่อนที่เกินไปก็ห่วงนะก่อนที่จะมาฟังซีดีหลวงพ่อนะผมก็ชีวิตตำรวจวัยรุ่นทั่วไปก็ตามออกเว้นก็คงไม่มาทางนี้คงเที่ยวเล่นพอซีดีหลวงพ่อเปลี่ยนชีวิตตอนนี้เพื่อนๆไม่ครบแล้วช่างเถอะเพื่อนเที่ยวอ่ะหาง่ายครับค่อยเราค่อยพอนานะแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยคนซึ่งมันตาแหลมหน่อยอ่ะมันจะเห็นว่าเราเปลี่ยนไป โดยชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นสงบมากขึ้นดูดีอะ่นะเขาจะเริ่มสนใจต่อไปเราก็มีกวนของเราภาวนานะหลวงพ่อหันทีแรกรับราชการเป็นผู้น้อยนะลําบากนะอย่างเราเวลากินข้าวกินเลี้ยงนะผู้ใหญ่กินเหล้าอะ่ะเราไม่กินเหล้าอยู่คนเดียวในโต๊ะอย่างนี้นะโหลําบากนะหลวงพ่อก็ใช้วิธีกินกลับไว้ก่อน <laughs> <laughs> มันจะกินเหล้าก็ให้มกินไปนะถ้ามันเริ่มเพ่งเล็งว่าเราไม่กินเหล้าเราผสมให้มันเลย นะเราก็กินเบปซี่ใส่โซดาหยดเบปซี่นิดนึงเหมือนเหล้าเปียบเลย <laughs> ใครมาชนกับเราสู้เราไม่ไหวอ่ะ <laughs> ต่อไปพอเราอยู่ไปนานเขานะเขารู้ว่าเราอย่างนี้นานๆพวกขี้เมาไม่มานั่งกับเราต่อไปลูกน้องอะไรอย่างี้ไม่กล้ามากินเหล้าต่อหน้าเราละมันเปลี่ยนช่วงแรกๆก็ลาบากอย่างนี้แหละแต่ต่อไปเป็นในพันเป็นในพลนะ่สบาย ผมขอการบ้านครับที่ทาอยู่ดีแล้วนะแต่ต้องอดทนเพราะเราเป็นสิ่งซึ่งแปลกในสภาพแวดล้อมซึ่งเขาเป็นอีกแบบหนึง่งนะเขาอยู่กับโลกนี่เราอาศัยความอดทนไปนะแต่หน้าที่การงานของเราดีก็แล้วกันนะฝึกไปเรื่อยตำรวจนังสารตารวจลำบากน้องสารจริงๆเลยดีแล้วล่วนะที่ฝึกนะ วันนี้คนอื่นเขาไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกเราเข้าใจตัวเราก็แล้วกันแต่เราไม่กวางเขานะอยู่กับเขาไปไม่กวางเขาหรอกแต่พัฒนาไปวันหนึ่งเขาก็เห็นเองเขาก็เปลี่ยนมีเด็กเล็กๆนะเด็กมาเข้าคอร์สหัดรู้สึกตัวหัดดูจิตใจรู้กายรู้ใจเนียแต่เดิมเป็นเด็กเกเรเที่ยวเล่นตลอดเลยไม่เคยอยู่บ้านไม่ช่วยพ่อช่วยแม่นะ พอาเข้าคอส์ามสี่วันแล้วกลับบ้านเปลี่ยนพฤติกรรมมันดูตัวเองออกอ่ะไม่เที่ยวไม่อะไรนะช่วยงานที่บ้านนะแรกแรกผู้ใหญ่ดีใจนะว่าลูกหลานดีคอร์คอสนี้ดีไหมลูกเราดีขึ้นพอหลายๆวันเริ่มเป็นห่วงมันบ้าหรือเปล่า <laughs> มันเคยเลวแล้วมันดีน่าเป็นห่วงอย่างเลยตอนนี้คนรอบตัวเราจะห่วงแบบนี้แล้คือก็ทาแบบเดิม ที่ที่ทำมาไม่ต้องเขี่ยนอะไรเลยใช่ไหต้องเปลี่ยนนะทําถูกแล้วครับครับทำได้ดีด้วยครับขอบคุณครับคนนี้ตื่นเต้นมานานแล้วนวัตสการหลวงพ่อนะครับก็<ม>รายงานตามสภาวะที่เกิดขึ้นหลายปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันแล้วกันนะครับสั้นๆ<ม>ก็คือว่าเออเวลาดูจิตเนี่ยเวลาเห็นตอนแรกก็คือเวลามีอะไรดันขึ้นมาที่หน้าอกอยังไม่เกิดสภาวะก็จะเห็นแล้วก็ดับหายนะ ลลแล้วก็บางทีถ้าเกิดเห็นความคิดก็คือจะเห็นตั้งแต่ต้นสายแล้วมันก็ดับไปถ้าเกิดบางทีดูไม่ทันจนเป็นกุศลอกุศลก็คือเห็นกระจิตมันแยกมันก็ดับดับเป็นดวงดวงแล้วก็ตัดตัดออกไปเป็นดวงดวงแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่า เ, เวลานั่งสมาธิบางครั้งแบบที่หลวงพ่อเคยเล่าว่ามีลมพันธุ์แล้วจิตมันกระเทือนนิดนึงก็เห็นหรือว่าบางครั้งเวลาดูไม่ทันจิตกับ อกุศลกุศลมันปรุงแล้วมันก็เห็นปุ๊บมันก็แยกแล้วมันกระดับไปก็มีคือมันเห็นได้หลายช็อตนะครับบางทีเห็นต้นเห็นกลางเห็นปลายเห็นมาน่าจะเกือบเบทุกแบบแต่ว่าอันหลังๆก็คือเห็นตัวโกดอันใหญ่ๆผดับไปปุ๊บก็เห็นตัวความขัดเคือ่นิดเดียวยังซ่อนอยู่ปิดอันหนึ่งซ้อนมาอือันนี้ที่เห็นเรื่องของจิตนะครับแล้วขณะนี้ล่ะขณะ น, นี้ช่วงนี้การภาวนาเสื่อมถอยขณะเนี้ยตอนนี้จิตมันจะไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่อจะ เกำลังไม่ตั้งมั่นเท่าก่อนเพราะว่าช่วงนี้เสริมถอยไปสัปดาห์นี้ฮะ เ, เสริมถอยไปเยอะ เ, ออเยอะเลยฮะแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนกับเห็นเรื่องแบบทางโลกโลกต่า ง, างๆเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระไปหมดเลยฮะเหมือนกับหน้าที่หลักคือภาวนาแล้วก็การงานการเรียนการสอนเลยเหมือนเป็นเหมือนเป็นงาน เ, เกี่ยวกับงานเสริมให้อยู่ในปัจจุบันได้เงี้ยจำต้องระวังนะเป็นความรู้สึกชั่วคราว ครับเป็นพักๆเออมันเป็นพักๆนะมันยังไม่ได้เบื่โลกจริงๆหรอกใช่ฮะแล้วก็คือบางบางทีก็เอ่อตัวอัตตานักเรียนนักเกียรติโผล่มาก็รู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะรู้อย่างกลางไปแล้วก็บางทีเคยตัวหายไปก็รู้สึกว่าความหายไปแวบหนึ่งมันเป็นความโล่งที่แบบมหาศาลแต่เปนแค่แวบเดียวแล้วมันก็กลับมาใหม่ฮะก็เลยรู้ถึงสภาวะที่มันมีอันนั้นเราเราไปเห็นสภาวะจริงๆนะไม่มีตัวมีตนแต่จิตมันยังไม่ตัด ใช่ครก็เห็นอยู่มาสองครั้งแล้วมันแบบมันมันมันแบบมันพูดไม่ถูกนะครับมันนะฮะหลพ่อก็แล้วก็เอ่อส่วนอย่างอื่นก็เป็นเรื่องสมถะที่ที่เดี๋ยวนี้มันมันมันไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งคือบางทีได้ยินเสียงหรือเห็นภาพมโนภาพนึกมันก็รู้เว้นชดชดคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรแบบไหนยังไงจิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเหมือนมันชัดชัด แล้วบางทีแบบเวลามีสิ่งลบกลนภายนอกมันก็ชัดขึ้นอะไรเงี้ยฮะบางทีนอนอยู่ก็แบบโอมาเป็นองเลยอะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึก ว, ว่ามันชัดนะหมดไม่มีอะไรเหมือนอะไรหรอกอืมฮะก็อยากขอคำแนะนำหลวงพ่อครับว่าถ้าเกิดว่าอยากให้การปฏิบัติจเจริญก้าวหน้านอกจากพยายามสร้างเหตุไปเรื่อยๆในชาตินี้ก็คืออยากขอคำเตือนว่าก็รู้ตระวั ง, ง, ร, าาง ร, รู้ทันตนเองให้มากๆนะครับรู้ทันตนเองไปต้องรู้ทันให้เยอะเลย กิเมันหลายชั้นหลายเชิงนะเพราช่วงนี้เสื่มถอยจริงฮะก็เลยรู้ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวจริงฮะเจริญเสื่อมดีชั่วชั่วคราวหมดเลยฮะอนั้นก็หลวงพมีการบ้านเลยเพิ่มเติมให้ผมทํำไหมที่พูดมาก็เยอะแล้วนะทีทําให้ได้บ่อยๆไปทําต่อขอบพราคุณหลวงพ่อจิตต้องสงบนะจิตต้องสงบกว่านี้ช่วงนี้จิตมันกระจายครัพแล้วก็ช่วงนี้มันมีเรื่องเข้ามาสัปดาห์นี้สัปดาห์ตัววันต้องทำในรูปแบบ ใช่ช่วงนี้กำลังเสริมถอยมาหาศาลเลยถ้าไม่ทำนั้นเสื่อมไปสมาธิจะไม่พอขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะคุณตำรวจเวลาเรารู้สภาวะนะไม่คุยกันเล่นๆหรอกเวลารู้สภาวะอย่าให้จิตมันไหลไปรู้จิตมันจะไหลไปดูเราก็รู้ทันว่าจิตมันไหลไปดูนะ<อ>นี่บอกเผื่อๆไว้ไปหัดดูเพราะว่าคนที่ดูสภาวะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจิตจะไหลไปดู จิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูหรอกแต่ว่าจะไหลอย่างสัว ด, ดูกะติกเนี่ยนะจิตจะไปอยู่ที่กะติกเนี่ยเราไม่เห็นตอนที่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่กะติกเนี่ยกลายเป็นถล่มลงไปดูเราต้องดูห่างๆนะอย่าให้มันถล่มลงไปดูนึกออกไหมธรรมศาส ก, การพระคุณเจ้าที่เขาลบยิง่งเอ๊ะคนนี้เมื่อไม่กี่วันนี้ไปเจอที่งานอะไรทีจ่จับฉล<อ>ากเก่งจัง S <S <S จำได้ทุกงานเลยเหรอลูกพามาเจ้าค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วโยมไปผ่าตัดไม่ได้ผ่าตัดไปฉีดสีมือใจเพราะว่ามันผลเลือดมันตีไปคดหนึ่งแล้วระหว่างอยู่บนเตียงโยมก็สวดมนต์สวดมนต์ไปเรื่อยๆฟังเขาสวดแล้วก็จิตก็ได้ยินเสียงเขาคุยกันพวกหมอพยาบาลคุยเรื่องกนรักรวงใจคุยเรื่องไมอะไร ลอยไหมจะสองทุ่มแล้วเอาย่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ว่าโยมก็สวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาจบเขาจบภารกิจก็เลยโมทนากับเขาไป อ, อยากจะนำ้ำมศการเรียนถามท่านว่าจิตขณะที่อยู่บนเตียงจิตสีนั้นเป็นจิตที่เดินปัญญาได้หรือยังเจ้าค่ะ <laughs> แม้เราไม่ได้ไปเห็นตอนนั้นนะ คือนอนผ่าตัดแต่เราเราก็เชิญตาสบายร่างกายดีดน้ําลมไฟให้เขาจัดการไปเลยมันยังคิดเอาอ๋อยังคิดอยู่เหรอจ้าค่ะเกรงใจเกรงใจโอไม่อยากบอกโอไม่เป็นไรจ๊ะค่ะมันรับได้โอ้มันโอ้ต้องใจถึงอย่างนี้นะดีคือที่บ้านลูกเปิดโอกาสให้นั่งสมาธิได้ตลอดเวลาก็เริ่มนั่งตั้งแต่เช้าตื่นมาเริ่มเราต้องระวังนันหนึ่งก็คือพอเราเราคิดนําอย่างนี้นะ มันจะรู้สึกเราเก่งด้วยนะแว่าเราเนี่ยปฏิบัติดีดีไม่ดีเห็นคนอื่นปฏิบัติแย่ไปด้วยอเราต้องคอยรู้ทันให้ดีเลยฝึกมากๆดีแล้วล่ะก็ได้ได้นั่งแทบทั้งวันแหะค่ะเวลาซักผ้าทู่บ้านอะไรเก็ถือว่าเป็นการเดินชงกรมได้ได้แล้วเราคอยรู้ทันนะเรานั่งได้เยอะเราเดินได้เยอะมันภูมิใจอ่ะโอ้โหกูเก่งกว่าคนอื่นอีกนะเนี่ยคอยรู้ตัวนี้ไหมเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะอีกคําถามเดียว ลูกนี่เป็นผู้มีกาลมากมเวลาเขามากราบเท้าวันสงกรานต์เนี่ยก็บอกเขาว่าเราจากกันนะอย่ามาเจอกันอีก อ, อย่ามาเกิดเป็นลูกแม่อีกแม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางอตอนแรกปีแรกที่พูดน้ำตาไหลตกในเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ธรรมดาแล้ว อ, อยากจะเรียนถามว่าเป็นจิตชนิดใดเจ้าคะมันก็ยังคิดเอาอีกเหรอเอาอีกแล้วเหรอจริงๆมันจริงๆนะเจ้าคะไม่ได้คิดนะ <laughs> พูดเรื่องจริงนะเจ้าค่ะคืออยากจะตัดพบตัดชาติกันไม่ต้องมันไม่ตัดด้วยกันบอกอย่างนั้นหรอกเก็ตัดที่ใจเรานี่ก็ใจมันสั่งให้พูดเจ้าค่ะนั่นแหละเราต้องรู้ทันนะใจมันอยากพูดเรารู้ทันเลยรู้สึกไหมมันอยากพูดให้เขาเข้าใจเจ้าค่ะนี่มันมีอยากไม่อยากให้เขาหัวเออนั่นแหละก็ไม่อยากก็คืออยากอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะ บางทีเจ็บหัวใจมากๆเป็นโรคหัวใจแต่ก่อนเคยบ้าจะยกโทรศัพท์บอกเขาว่าแม่จะไม่ไหวแล้วรีบกลับบ้านแต่เดี๋ยวนี้เออตายเถอะตายเถอะจะได้ลูกจะได้ไม่เป็นภาระมาก อ, อย่างนี้จิตเป็นแบบเดิมเลยเจ้าค่ะ <laughs> อย่างดีนะไม่โทรเรียกปอกเต็กระงไม่ไม่อยากให้ใครมาเห็นอยากไปเองเจ้าคะ่ะอย่างนี้คิดเอาเลยเจ้าค่ะเออนะหาภาวนาบ่อยๆคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยนะ เจอคะ่อะสาธุดคะ่ะหมดยังเนี่ยทำไมเยอะจังกับน้ำมศการค่ะเอ่อคือในรูปแบบทุกวันนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยคือเหมือนเวลาจิตมีสมาธิเนี่ยมันจะเหมือนมีเกิดดับอยู่ที่กลางหน้าอกตลอดอเวลาถูกต้องนะแล้วอันนี้คือแล้วบางทีมันก็จะบอกเหมือนไปประคองอบางครั้งก็คือประคองก็หายไปโดยที่เราไม่ได้แบบไปเพ่งว่าเอ้ยมันอยากหายหรืออะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็บางครั้งก็คือเหมือนพอจิตมันตั้งมั่นปุ๊บมันก็เหมือนบางครั้งก็มีปิติขึ้นมาแบบชอยๆอะไรยเงี้ยอันนี้คือปกติดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ทําสม่ําเสมอนะค่ะทําในรูปแบบทุกวันทุกวันคจะได้มีแรงค่ะแล้วก็บางบางครั้งคือเหมือนตอนนี้มันเริ่มแยกธาตุแยกขันแล้วใช่ไหมคะแยกได้ก็รู้เองแหละเห็นไหมร่างกายเป็นของถูกดู ความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตคุกุอนหน้ากุศสก็ไม่ใช่จิตไม่เห็นเองเลยแล้วที่ประคองนี่คือถ้าสมมติเราเรารู้วมประคองนี่คือก็ไม่ไปไรใช่ไหมคะก็คือมันก็ปล่อยไปเองค่ะเดี๋ยวค่อยๆคลายเขาเองแหละประคองมันเหนื่อยนะค่ะใช่แต่มบางทีมันก็ไม่คลายอย่าไปอยากให้มันไปให้รู้ทันจิตไปประคองอยู่รู้ว่าประคองอยากจะเลิกประคองรู้ว่าอยากนะฝึกง่ายๆ ตำรวจดูออกบ้างไหมเวลาจิตมันไหลไ ป, ลไปนั่นแหละนั่นแหละมันไหลไปดูอะไรเงี้ยนะมันไหลไปอะไรไปดูอยู you ่ know, น้นเราคิดว่าเราดูจิตนะแต่จริงแล้วเอาจิตไปดูมี<ห>นะอะไรเพิ่มเติมไหมคะต้องฝึกสม่ำเสมอนะแล้วก็ต้องฝึกให้มันมีแรงจิตต้องมีกำลังนะถ้าจิตแรงไม่พอ แรงมันไม่พอนะทำความสงบเพรามาเป็นช่วงๆนะจะได้แรงพวกเรามีจุดอ่อนนะคารวะแล้วก็เป็นคนเมืองนักคิดนะ่ะจุดอ่อนพวกเรามีสองตัวตัวหนึ่งก็คือจิตไม่ค่อยมีกำลังสมาธิน้อยไปฟุ้งซ่านมากไ ป, ไปคิดเยอะนะเพราะฉะันต้องทำในรูปแบบ อีกจุดอ่อนหนึ่งก็คือไม่ค่อยต่อเนื่องทําบ้างเว้นบ้างบางทีเว้นนานมากกว่าทําอีกนะแล้วก็นับเนี่ยทำมาเจ็ดเดือนเจปีแล้วทําไมไม่บรรลุสัทีนับชั่วโมงที่ทํายังไม่ได้สามวันเลย <c oughs> นะก็ทให้เยอะเยอะจุดอ่อนมากๆเลยนะเรื่องความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราต้องมีวินัยในตัวเองเข้มงวดอ่ะทุกวันต้องปฏิบัตินะทุกวันต้องปฏิบัติ แล้วก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับกตัวจิตใจตั้งมั่นสำคัญนะเพวกเราจุดอ่อนของคนเมืองวันๆนันเรามีแต่เรื่องคิดจทั้งใจมันวุ่นวายใจไม่มีพลังงั้นทุกวันต้องซ้อมทาในรูปแบบมีวินัยในตัวเองแล้วทำในรูปแบบทุกวันทุกวันจะแก้ปัญหาเรื่องความต่อเนื่องกับความไม่มีแรงได้เรารู้หลักนะเราเรียน รู้หลักได้แม่นแนละ้วแต่ละคนแต่ละคนรู้หลักพอลงมือทาเนี่ยบางทีกําลังไม่พอเันต้องมีวินัยทุกวันต้องทำนอกจากจะได้ความต่อเนื่องจะได้กําลังด้วยตำรวจก็ไปดูนะดูจิตนัไม่ได้ดูเหมือนดูผู้ร้ายนะดูจิตคือดูตัวเองเพราะฉะนั้นอย่างจิตเราไหลไปดูเรารู้ว่าไหลไปดูอย่างนี้ถึงเรียกดูจิต ถ้าไปเห็นอะไรไหวๆแล้วก็ไปดูไหวๆอยู่นั่นไม่ได้ว่าดูจิตออกนะดูจิตก็คือรู้เท่าทันจิตเช่นจิตไหลไปรู้ว่าไหลนะไหลไปแล้วไปจอ่อจ้องอยู่ตรงนั้นนะรู้ว่าไปจ้องอยู่ถนะือจะเรียกว่ารู้ทันจิตดูจิตนะอ่ะเท่านี้เราก็แล้วกันนะพอละหมดแล้วใช่ไหมพ่อไปแล้วใช่ไหม ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณนลุมิดปรีดาวิภา์ผู้ก่อตั้งชมรมธรรมปรีดามอบของที่ระลึกและถวายปัจจัยเป็นอาจารย์บูชาแก่หลวงพ่อด้วยค่ะขอให้พวกเรานะคะโปรดตั้งใจพร้อมใจร่วมกันถวายค่ะสาธุพร้อมๆกันค่ะสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวโยมมาถวายเป็นอะไรมีพูดแทนถวายเลยก็แล้วกันนะถวายที่ละคนเพื่อนอยากกลับบ้านแนละ้วมาสักสองท่านก็พอนะเชิญ<อ>เดี๋ยวหลวงพ่อให้<อ>พรเลยนะ<อ>พวกเราจะได้กลับกลับไปสักที <laughs> ยถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคารางเอวเมวัยตัวดินนังเปตานางอุปกปรติอิชิตังปฏิตังถุมหังคิดเปเมวัสมิจฉตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะธรรมณิโชติระโสยะถาสัพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะ อาภิวาทนาสิลิสนิจังวุทธาป จ, จายโนจ ต, ตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังถูกลงภาพไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs>